ยีาสิบดียุทหวันเจ็ดนถ้าังหลายอัตที่ชื่อวานิสิเทียงปาสิบสี่สมสิบสามขดหลัย่อมถึงซึ่อการเสือโดยหัวข้อหืเมื่อจีวรของที่สุบทำเสร็จแล้วเมื่อหมดปริพอนที่จะกระทำจีวรแล้วเมื่อเถึงต่อแล้วเมื่อหมดปริพอนที่จะกลับมายังวัดเลย ที่สัมผัสและที่สุขพึงทรงใช้สอยหรือเก็บไว้ในใจจีวรจีวรที่เกินมาจากจีวรที่แด้ติดสางและที่เก็บไว้ได้าสิบวันเป็นอย่างยิ่งไม่เกินสิบวันเมื่อให้รว้สิบวันนั้นต้องนำบัดไปที่ที่มีการเสียสระเป็นที่ไหนก็ม่ ไม่สนับสนุนท่านสักตัวครับเนี่ยผมจะที่บ้านของข่านะะยังไม่ลอกถท้าอะไรนะครับเกี่ยวกับถิ่นเกี่ยอะไรด้วยพ่อเดีกจะมีอะไรทำที่บายทั้งหมดนะบางก็ฆ่ากันเนี่ยเขบอกว่าเมื่อคุณถึงทำจีวรเสร็จแล้วนะครับมันเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวว่างนะครับไาเดียจีวรเนี่ยคือผ้าที่ ผ้าที่กว้างขนาดที่ถึงห้ายาห้าสิบต้งแต่นี้ขึ้นไปใชครับเราได้บบนั้นเราก็ติดหาหนระือที่เก็บไว้ถ้มามดติดหาหรือว่ามี่เก็บไว้นะและก็ไม่ใช่ในช่วงอ น, นุสงค์ปฏิถิรู้นะครับจะเก็บได้ได้แค่สิบวันเป็นอย่างนิ่นะถ้าเกสบวันไปเขจะเปละทิ้งเทียบไปจรปิงครับแต่ถ้าเป็ น, นช่วงอนุนสค อ, <c oughs> สอนสินั้นนะ อ, น, น, สอนสงคิถินะ ต้งแต่เดือนไหนเดือนถึงเือนไหนให้เกอเข้ามาอันีอันนี้สองกระถินก็คืออนี้มีกระกริ้นครับเอาไปดูบ่ก็ได้นะตังแต่ถ้าใครมีแล้วก็ยืนรอถ้าใครไม่มีก็เอา กเห็นนะครับกิกรรเรื่องเดือนต่างๆอธิบายเรื่องเดือน้างนะครับเรื่อมาลีคุณทีนั่นพออนสอย่างเรื่องเดอนที่เรนะเ่าเมื่อกี้ความงผมนานเขารู้หมดแวนะครับอันนี้เดือนครับเดือนสิบสเที่ยเทียนเดือนบ่ายไทยแล้วก็สากรนะครับแล้วดูก่อนว่าหนึ่งเดือนมีสามวันใชไหมถ้าจะแบงเป็นสองต่ามา่ำวังทีห้าวัน ตาลูด้าสามเดือนนะเขาว่กศุปั่นข้างขึ้นนะครับการเั่นข้างแรงข้างขึ้นข้างที่ปจันขึ้นเริ่มสว่างไม่เป็นเต็มดวงใช่ไหมข้างแรงคือข้างที่ประจั น, วว น, น, นจมันดับลงนะครับเพราะว่าดีมนจดับนี้แต่ละปั่ก็จะมีสิบห้าวันนะครเพราะฉะนั้นหนึ่งเดือนจะมีสองปั่นะก็ได้สาสบวันพอดีนี้มาดูเดือนบาลีนะครับเดือนที่หนึ่งบาลีเป็นมาฆศีล หรือมีค่าสีด้านก็ด้ตงแบของไทยโบราณนะครับเป็นเรียนอาของสามคนก็ประมาณเรืนคุรมาคมไม่ต้องพอดีไปไร น, นะก็อันนี้เทียดลให้ดูนะครับเค็บนี้ดูประมาณการเรือนบ้านอะไรบ้างนะครับ ก, าารรร ก, ก็ประมาณธราคมสองเรือนขุนสารหรือขุนศักดิ์ก็ตรงแบบเนยี่ไทยสามคนก็ปรมาอง สามเดือ <3 S 2> นมาค่มาคาเป็นคอพันคอะังไม่ได้นะใะไทก็เป็นสานาคนเหมือนคุมขาสี่เดือ <3 S 2> <deve> นขัดคนะคัดเนสี4ต้เร on. ียนมีนคมเดืนจิจสตเดืนห้าแล้วมีสายนเดือนเลยสาหเนเดือน ก็จะเป็านต้นไม่ได้พ่มีัตรายบางอย่างนะท่านจะมีสามแก่แม่ป้าตามลามหรือว่าขั้วหรือก็ล่าแต่ครอกทีรื่อานจะจำนสานที่ไหนไ้ต้องาีจำนาอยู่นะพวกเาต้องย้ายจำเสานหลัะครบคือวันแรงเก็นข้าเกินก้านนะก็จะจำาปาช้ากว่าข้ามเปาต้นหงเดือนเราเขาก็จอบปสายช้ากว่าหนึ่งเดือนกันคือเป็อัปสานตั้ง่สิบห้าข้ามเดือนอง็เวลาจะคงคนนครับ ที่สุพษาหลังวันที่สิบห้าถสิบสองคืวนละงนะครับทีนี้พระี่สุผู้จะมีสิ็จได้การกินนะกรินในที่นี้ก็อะพิสงผู้จำพรรษาต้องเท่านั้นครับแล้วพษาวันคือสิห้าเ็ดนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่สิบห้าถเสนปุ๊บนะครับช่วงที่เขาจะถวายผ้าจำพราหรือว่าการกัะสินก็ได้นะครับ Yeah. ช่วงที่เขาเสลยถวายจะกส็นไ ด, ด, ด, ด้นะครับก็คือเบียนสุดท้ายของเรื่องูฟครับอันนี้ดูอันนั้นดูนะครับสีสีสม่วงๆนะนะหรือสีน้ำเงินนะครับเป็น้รื่นาสีชมพูกป็ได้ดูร้อสีเขียวนีป็นเรือูฝนนปีมี12 ส, สองเดือนนะครับหนึ่งหนึ่งปีก็มีสี่เรื่งดูและมืมีสี่เดือนใช่ไหมครับกี่ชั้นสิบ ส, สองนะครับอันนี้ ก็ช่วงเทศการข้อกถินก็คือเดนุดท้ายของอนมิถุนน์คอครื่งหลังของเดืนบเกับครึ่งแรกของเดือนสิบสองใช่ไครับอันนี้น่าจะจดการกระิ่นก็น่าเะพาะในช่วงเีือนสุการนี้นะครับถ้าเราก่อดหน้านี้ก็ไม่ได้นะถาวายกระิ่นไม่ได้นะครับลังแต่นี้งก็ไม่ได้เราจะพ้นในช่วงคือสุดท้ายของเอนุนน์เนี่ยเมื่อเราไม่กัดกบะถินปุนะครับเราจะได้สองกระถินห้าอย่างใช่ไม เดี๋ยจะว่าข้างหน้ามันมีนะแล้วมันจะมีข้อเราสามารถเก็บเด็กทีวอนไว้ได้โดยไม่ต้องมีฐานหรือกับเกินถึงวันก็ไม่ต้อ่านหังนครับความจริงเมื่อเราจำาษาข้อสามร็จปุ๊บนะพอวันตัอหน้าพันสามปุ๊บนะเราไม่ได้อ่านอีส่งพันสามนะครับอีสองภาษาหนึ่งเดือนนะคือหนึ่งเดือนแล้วดูผลสุดท้านะครับนีสองภาษาเนี่ยเราได้แล้วก็สามารถเก็นเด็กๆทีวอนไว้ได้ ่งเรือนนะแต่เมื่อถ้าเราได้การกัจจินินะครับอันที้สองนี้ที่จะต่อไปอีกสี่เดือนไปถึงการเป็นสี่นะครับก็คืออันที่สองัจจิเนี่ยมันกินไปสี่เดือนด้ดูหนาองเลยครับอันที่สมงัจจิน้เรียกว่าอะไรนะสี่จะเริ่มหนาแล้วนะครับจนกัจจนิัเยหน้หมดเลยครับในช่วงอันที่สองกัจจินิหมดเลยล้วก็เราได้อันที้สองภาษาได้หนึ่งเดือนอันนี้สองกัจจินสี่เดือนก็เป็นห้าเดือน เราสามารถเขียนในใบจีวไอลได้ไม่ต้องมีากนนราราาเริ่มกลับนะตลอดเวลา5เดือนนี้ครับในช่วงนีวันี้ที่ส่งนี้นะทีนี้กระถินบางทีนะครับถึงเราจะได้ด น, ะนะนะมันมีกิดถินมีการดอกอาจะรย์ที่มากระถินดอกกระถินดอกเป็นยังไงที่นึกบอกว่าที่สูกนําำจีวอเสร็จแล้วมจริงๆนะครับกระถินดอกเกี่ยกลกบอริพอดนะ ปุ่นพ่อคือความกังวลใจหรือความเครียดความผงใจอความผงใสที่อยู่ในว่างนับหรือที่จะทำทีวอร์ปุ่นพ่อหนักแบ่สองอย่างคือความเื่ียดยัยนะกีวอร์ปุ่นพอและอาว่าปุ่นพ่อกีวอร์ปุ่นพ่คือเครียดยญยที่จะทากีวอรแอาว่าปุ่นพ่อคือเคื่อดหัยที่อยู่ในว่างนะนะ ก็ถึงวันลการกรินปุ๊บเนี่ยในวันกระถิ่นเนี่ยมันก็จะมีการทำผ้ากระถิ่นในนั้นเราทำผ้ากระถินองค์ของลูนเดียนใช่มต้องสมก็จะมาช่วยกันทํผ้าให้ลุ่นั้นไหมครับมีการมอบผ้ากอะถิถึงวันลการในวันนั้นนกต้องมาแยกลูกเลยครับพี่ใช่ครูบุ๋มละที่จำภาษาว่ไมีแค่คนเดียวทาให้คนเดียวตครงการทำแค่คนเดียวครับแต่ทุกคนก็มาช่วยกันแต่ทีนี้คำว่า ฟังอะไรายละเอียดในการทํา hmm. ีวอนในที่เนี่้ไม่จีวอนสุยนี้นะครับจีวอนุดนี่เราทําเสร็จไปแล้วนั่ในวันจัดพิธีแน่นอนครับที่บอกว่าจีวอนทำเสร็จแล้วเนี่ยไม่จีวอนสุดนั้นนะครับหมายถึงว่าจีวอที่เราได้ผ้ามาอันเป็นผ้าปฏิบายนถึงกระต่ายนะหรือว่าผ้าที่เกิดขึ้นในช่วงอันที้สองนี้ก็ได้นะครับผ้าที่เกิดขึ้นในช่วงอันี่สองนี้ก็ไดนะีวอนะครับพอเราได้ผ้ามา เราไม่ยังมีความเยื่อใยที่จะทาทีบอร์นนะคือในถึงถึงก็แล่แต er ่ราสมองตัวสติอันนี้ที่ว่าเยื่อใยที่จะทีบอร์นอันนี้ถึงก็ยังไม่จอดในนี้อยู่ใจนะและเยื่อใยเสียยาอยู่ในว่านี้นะครับถึงจอัไปจะว่านแต่ที่ว่าเราจะยังกลับมาในช่วงที่สองนี้นะถึงกลางเย็นสี่จะกลับไปดูหนาเนี่ยเราจะยังกลับมาว่านี้เสียไม่ขอกลับมาว่นี้ะครับอันนี้อันนี้ก็เรียกว่า อาริโภนี้ไม่ขาดอะกากรยังไม่ดอกแต่ถ้าเมื่อไหร่บริโภทงสองอย่างขาดนะเราได้ถ้ามาล้วก็มาทำซีรองจีวอนสีเลยไนมะ้ า, านยนะครับแค่ขุดหนก็ได้นะแต่ที่ว่าเราทำแค่นี้พอแนละ้วไม่ก็ไม่ทำชีบอะนะครับอันนี้้าจีวอนบริโภคขาดแล้วขาดใชอย่างนี้นะกต่ถินยังไม่ดอกนะคำว่ากระถินดอกคือมุันที่สองกระถินนี้ครับกรับอันี้นะฮะคำว่ากระถินจีวองเสร็จมันเสร็จหะ เสร็จแปลว่าถ้าเสียหายไปเลยแล้วไม่ก็เสร็จนะครับเสร็จเลยมันจะมีเสร็จแรกกับเสร็จเลยใช่ไหมหรือว่าหมดหวังที่จะได้ค่ามทเคี่วจะได้ค้ามนะก็หมดหวังไม่ได้ไรนนตอนนหรือเ้าได้ค่ามาเราก็ไม่ที่จะทจวจีวอจีวบรบูนะอันก็เสร็จมืกันรับเสร็จมลย่านะแล้วว่าเสร็จยแล้วแต่หรืว่าจีวอปริพ่เราขาดใช่ไหมเราขาดไ่อนะครับ แต่เราก็ยังที่จะอยู่วันนี้นะแต่ถึงก็ยังไม่ออกนะครับแต่ถ้าเราก็โอ้ยวัดฝักหนาวใช่ไม่อยู่แล้วก็อยู่วัดอยู่ดีกว่านะครับในช่วงสี่เดือนนี้ก็ไม่กลับง่านนะเพราะเราตัณฑ์ย้ายไปอยู่วัดถึงนะครับแล้วก็ออกจากวัดไปทีวอลเราเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วเราก็ออกจากวัดไปก้าวที่สองไปเห็นวัครับอาว่าเป็นโทษค่ะวัดที่ว่าความเยือกเย็นในวันนะครับ นี่อ like ่เมื่อีวันเป็นพ่อรังไ่นะครับพ่อกรายออันนี้ถึงมยังไม่ยังไม่หมดอันนี้สกสนะครับแต่กระสีของเราก็าชื่อว่าดอกแหดอกแต้องอยู่สอเดือนนะเมื่อกระสีดอกนะครับเมื่อกระสีดอกเราก็ปมาณสองคนเลยนะครับเราจะเกได้ใี่วันไว้จนสวันไม่ได้นะครับเก็บไว้แค่สิวันปอานี่อันนี้คือการที่วาเกกระสีเข้ เนียถากลังการพูดเห็นไหมที่นั่ น, นทนี่นี่อะไรนั่นเนี่ยคือจะบอกว่า น, นันเมื่อหมดบริพ่อที่เดี๋ทีวรแล้วใช่ไหเมืม่อหมดบริพ่อที่จะกลับมายัางบ้านเดิที่จอมสารนี่ประมาณปมาที่ปลาใชไหครับพราะยังมง่ดูมันเปลียนเป็นต้อนอะไรอีกอ เป็นต้นมันอยากในสคิดหาบทนิ้นึงนะไม่ใช่ย่น้นะอันนี้ไม่ใช่เรื่องนะเพรเป็นเียเื่อเพี้ยงองชอบกับปั้นะ <c oughs> อยู่ <c oughs> อยู่นาน า, นามันจะเป็นอูกด้านขครับ ตรงนั้นแหละเ็ัหาดาลยง่ายต่อไปนะครับอันนี้ก็มันรยากของการแกมกีดจีวอนะครเรื่องประจับปัญญีโดยสมัยนั้นเด็ผู้หงุดโดยสมัยนั้นที่าาพระเจ้าปะทับอยู่นะโค่สมมากัจจี เข่นความรเวสาดีครั้งนั้นทรองทรงนุยาตใจจีวรเขีนเรื่องใจจีวรก่ําบแล้วใช่มนการตั้งถิ่็ใจีวรเขาจะก็ขีต้านเมื่อพระเจ้าทงอนุญาตใจจีวรแล้วจึงความใจจีวรเข้าบ้านอกสำักหนึ่งอยู่ในอณาัราีกสำักหนึ่งทรงนัดอีกสำนักหนึ่งครับก็แท่าความใจจีวรสามชุดนะครับในบ้านชื่อหนึ่งเข้าไปหมู่บ้านชื่อหนึ่ง เวลาไปส่งนะก็ไปชุหนึ่งครับในธรรมดาหนาไยชุดนครับอนี้บรรดาที่สูงพู้มมากไม่สนใจก็เพ่งที่จดียนพุฒนาว่าไส้ปลาสัะรดยื้อแน่ทรงจีวรครับเกลมสาลักเล่าและกัดูเนื้อความนันแหละาคาดตั้งผู้ชมก็ไปชุดสองทรงสาีเตียสับปะรีและก็บระจาาศมุขึ้นมา ถ้าพระยาทั้งแรกมีแค่ดินะครว่าหนึ่งที่สุดได้สองเหตีวัเป็นสถึงที่ย่งไปทั้งแรกก็คือสองไม่ได้นลยนะจีวันนั้นเนี่ยอดีตรนจีัสงไม่ได้เลยเพรมีแต่วังที่ดีามเท่านั้นนะครับทีนี้สมัยต่อมาก็มีเรื่องของท่ามันเกิดขึ้นครับก็เลยสมนั่งแลรอดีิรนจีวัที่เกิดขึ้นแก่ท่านข้มันมีอยู่และท่านประสงค์จะถวายจีวังนั่นแก่ท่านพา แต่ท่านพระสารบุญรอยู่ถึงมึงสาเกมึงสาเกก็พระกั้งสามวันทีใช่ไหมเมืองที่พ่อของนางเลยแลสาาว่าไปสั่งทีันาาวนาจึงท่านค้านมีความประณีตต่ว่าท่พระผ้าเจ้าทรงเยสุขาผลตไว้ว่าพิสุเนะมืองทรงแบ่งจีวอก็มีแบ่วีวอมันเกิดแฉลแล้วเราก็ให้เยสุถวา ย, าายแต่ท่านพระานบุญแต่ท่านอยู่ถึงมึงสาเกเรา จะเป็นปฏิบัติอะไรหนอครั้งแล้วท่านข้ามันได้กล่าวถึงเร่อนักดักื่อข้าเจ้าเมืนพข้าเจ้าตักถามว่าจุกอรอานน์ยังนานเท่าไรสาอุบุจินจะกลับมาถ้าอานนกบถึงว่าจะกลับมาในันที่9้าหรือวันที่สิบพบได้เจ้าข้าพระุองค์ก็ทรงติความจำจะถามเราแล้วก็สอนบัญญัติขึ้นมานะบัญญัติขึ้นมานะครับว่าจีวก็ไปตักถาเป็น สิทธาบบนี้ที่อ่านมัแนะครับนี่นดูความคูบายนะครับหมดไปนาจะรับเป็นอนาคจะเคียร์ปายทอธทิบายมือจะเคลียร์ปายทีต่อจากอันนี้ยอดสิ้หมดไป คำว่ามื6ของคณะเป็นต้นพึงทราบโดยในที่กล่าไปแล้วนะครับทั้นหมดชิวารวักที่หนึ่งหนึ่งอธิบายกะดิิงฐานบนครับพึงทราบอธิบายกระดิ่งาต่อไปแล้เนี่ยนะครถ้าจะอธิบายเรื่องกสมคเสิร์ตก็จะปวดครับก็กำการนิสุกี้ศีรษะบนทั้งหลาย ทรงทาบจากทบาลสุขาบทที่หนึ่งแห่งจีวนาวก่อนคําว่าให้ติดตักจีวรสมิงที่แปลว่าเมื่อจีวอร์สำเร็จแล้วจีวรเสร็จแล้วความว่าเมื่อจีวรเสร็จแล้วพร้อมอาการเย็ดเมื่อเย็ดแล้วจีวรก็เสร็จด้วยหรือเสร็จความชิมหายไปที่ต้อเสร็จเสร็จเลยกาเมื่ออาการอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อาการเหล่านี้กอหายแล้ว พาอถูกป้องอาจจะจนขโมยไปครับเสียหายถูกกกลับเป็นตน้นจนแบบใช้ไม่ได้เลยนะถกไปไหมครับความหวังว่าจะได้จีวังหนึ่งไปเพราะว่าถ้าออกภาษาใช่ไหนได้สงต่โอ้่ก็คิดว่าจะได้จีวงังที่หนึ่งครับพอดี้ไมากงองลองไปพอวันจีงก็ไม่ได้กมองว่ า, นนาขยันความว่าเมื่อความเป็นพ่อ ความวความความเยนนื่อใยทั้งนีครับความเยื่อใยในการทำชีวงไปจริงอยู่ชีวงปริพัฒน์ของพิสุภุร้นนการถึงนะ้วยังไม่ผ่านไปด้วยอาการเหล่านี้แต่งได้ เพราะฉะนั้นในอาว่าใดวิสุทธิจัมมัชฐานต้องอยู่สี่รูปหรือไม่ครบห้านี่สามรูปสองรูปหรือหนึ่งรูปวิสุทธิจัมมัชฐาต้นในอาว่านั้นต้องนำวิสุทธิจัมมัชฐานหลอาจจมีท่าหลายรูปอยู่นะแต่จัมมัชฐานต้นไม่ครบห้านะครับต้องมีจํามัชฐานหลังนี่เราให้วิสุทธิจํามัานหลังมาเป็นทนาภูระกะแล้วการอดเพิม แต่ถ้าพิสุผู้จอมภาษาหลังไม่มีนะ่นะเราเข้าจภาษาแค่สี่รูปไ ง, งทำงีเราไมยมค่ามาจากวัตถุ น, น่มาเป็นคณะบูรกาก็ได้เนี่ยผมเขียนไวให้หน้าหน้าหนึ่งร้อยนะข้งหน้านครับต้องยสารว่าพิสุจอื่นที่ไม่ใช่พิสุจน์ผู้จมภาษาหลัเป็นคณะบูรกรในการการกติในกนินกักกรรได้ไม่ไมตอบว่าได้หรือ จะพิสูจน์ผู้มีภาษาฐานก็ดีนะครับพิสูจน์ผู้จำภาษาหลังก็ดีพิสูจน์ผู้อยู่จำภาษาจีนว่าดื้อและพิสูจน์ผู้ยังไม่ได้ภาษาเลยว่าร <heute> <laughs> <Okay>. hmm. ัดแต่นะครับอ er ันนี้เป็นชนะสุรกาในการสวมมองข้ามถึงการกระติกดั้งนะครับที่ปัญหานะดั้งอยู่ในี้ต่อไปนะครับเราสูน์เราที่มาเป็นชนะสุรกานั้น เป็นทีมทำาน้าให้เต็มเท่านะไม่ได้อ่านใสมกตินเพรนั้นผู้ได้อ่านสมกฐินนั้นคือพ่อูที่อยู่ในว่าการจอมศักริ์เขาตายมากนมครช่ท่านอาจารย์ที่นี่จอักหรือเปล่าหรือไม่ได้จอมศักดิ์เลท่านอาจายังไม่ถูกมาจอมศัดิ์เลยทานจะเป็นปุ๋ยจอมพระโสดก็คือ ภาษาถานนะเพราะว่าแกมาจากวัดอื่นแต่แกถึงว่าแกไม่ต้องอาบดันนะเพราะพระที่ตั้งใจใช้ภาษาถาจะมีอบดับนะมิุไม่มไม่อยอจามจภาษาจะดีนะหรือจำาษาแล้วก็ตั้งใจภาษาถาก็ดีดนะีจะต้องบอก่อนนะแต่ถ้าว่ามันเหตุจาเปนะเกิดเกิดอยู่ว่าที่ไม่สะดวกนะอาจจะมีอันตรายจะต้องอยู่นี่นะ้วก็สามารถใช้ภาษาถ่ า, านได้หรือไม่ต้องอบับดับก็ไล้น ก็คก็คไม่เงียบมน้า่เงียบนือเราต้องใจเลยเงียเรียบอกแต่ก็คือมันก็เป็นวามรันนะครับีถ้าก็เพิ่งบอกว่าไม่สะดวกนะอยู่ที่ไม่สะดวกมีคนมาขัดขวางอะไรเงียนเขาวงนไ้นะแต่ถ้าก็มีเหตก็ไม่ต้องบอกแต่ว่าคนะจะไม่ได้สกติตรงนี้ทำไม่ได้เป็นแค่นักการอมืงเฉยนะไม่ได้สมกตถแล้วจะหาเงี้ย แม้ใน25ข้อนะครับเวลาเรามาแจกนะมันนั้นจะมีโยมยมาหวยของเยอะนะครับท้งของท้ขานะ้าที่ได้ไหนะครับถ้าะที่สู่รูปไหนที่มันมจาษาจองนะครับจะไม่รับแจกข้าะครับจะรับแจกนของเล็กน้อยนะแต่ของน้อยอย่างที่ได้หมดนะครับได้รับปกติหมืนนนะท่านในอ า, า, อาได้หมดแต่ว่าข่าที่เกิดขึ้นในช่วงอนที่สองนี่นะเป็นิึงนะหน่อมเข็ดดูหนานี่นะครับ ท่านจะไม่ได้ตัวพันถึงจริงย้อนวันศตวรรที่4ก็ไม่ได้ม่านท่านถึงรายการจะสีมาการมีนะผมนะโอปีหน้าเลยะใช่นี่้อไม่ได้ค่าม่ได้ถ้าที่จเกิดขึ้นในช่วงวน่2คือว่าพวกวัสดุการเมือง่อน่ช่วงป ไม่ว่าอาการีวารผ้หหรเป็นันะครับ่นข้าก็นยนะครับช่ม่่นีช่กแกัาอนนี้ีกผ่าไม่วิธีการจีวารารีวารคอนะครับเอาไต่อเนี่เอาล่ะพูง่ายๆว่าถ้าคิดว่าการีวาเนี่ยจะได้แก้ผ่าที่จมปักาเพราะนั้นการจีวาคือตั้งแต่ออกปัญหา้นะ ข้ามเดือน11ใช่มหตั้งแต่วมานั้นไปนะครับไปยังถึงวันขึ้น15ข้ามเดือน4นั่นะไอ้ืหนาหรือนานะครับถ้าที่เกิดที่ในช่วงนี้ที่ข้าสบายสงบนิ่งก็จะเรียกว่เป็นกาสีบอร์จะได้แก่ผ้าที่จองคนศาลนะครับในวันเทานั้นแลก็ด้สองัินด้วยกันนี่นะนี่นะครับนี่จะบอกว่าผ้าที่ถูกจำพรรษาต้น มีทารยคนใดคนหนึ่งจะเป็นขลิบขาวตากันบิก็ตามคามยาก็ถวายข้กิ่นได้นะครับโรเอาวนงสนามชายเกิดีแดนที่หนึ่งมาอยู่ใครมาถวายข้าวกระิ่นเลยก็แทบอยู่ในว้าน่้วอดกันเองคับถวายันเองกันเลยใช้ด้านกันครับด้านกันนนะครับี่แหล มันมาชิ้ก็ตามนะครับนำจิตวามมาถวายตามธํามนะโดยชอบว่าอีวินาสัจฉินขอภารกขะขอท่านจอมผ้านี้การกระถิงเวลาเขาถวายผ้าอีก็จะมีคมนี้ด้่ยน่อให้ผ้านี่ยไทยเขจะพูดอย่างนี้ครับพิสุทธิทังหลายคุณมอบผ้านันให้แก่พิสุทธิผู้สามารถเปการกระทิ่ได้เขาจะหาให้ไทยคนี้รับผ้านะครับก็หาว่าคนที่มีผ้าเก่ิสุทธิ์นะครับ ใช่ร่มนั่นแหะนะคลองขามกระดิ่นครับชื่งอะไรรูปหนึ่งแล้วส่วนใหอ่เขไม่ค่อยจะทลองการอว่างดีนะทำยี่ทีบปูทำไม่ถูกตัวาทิขามอะไรบ้างนะครัการปูอย่างการนั่งรถไฟถ้าจะดูนะทุนี้ถ้าชีวอนกลับมีอะรรูปนี้ใช่ใช่ก็คงใ่้ท่าเสร็จได้นครับส่วนญ่ก็ชีวอนก็ค่อยกลับแต่ความจริงท้าที่จะการจะกินได้นี่ต้องมี็่าที่ใส่จีวอน สาจวรอิษานเป็นไปครับบนวบสตินะครับถ้าไม่ได้อธิษฐานมาก่อนก็อธิษฐานตามั้นนครับอ่าแล้วก็ชอนใช่ไหมช้องอิษานจนแล้ก็อธิานเป็นไปันนั้นเลยะครับแล้วก็เนี่ยเมื่อทุกคลองธรรมดานะ่แต่ทีนี้ข้าที่จะอธิษาเป็นตายหน้าต้องท่านต่กขันนทคงนี่แหละก็จะมีข้าที่ไม่ได้ตัดทุกข์ขันติหมดสิ้นเลยนะคองกนไมได้ ก็บางเดียวกันเนี่ยมีีวิตที่จะตัดห้จะตับเขท้ก็จะเอาสมองทุกปีแหะมันตัดไวเนี่ยนะครับใช้เวลาไวนะทำไมต้องต้องตัดวิสุทธิ์นะแค่บุญก็คืสมองชีวิตต้องตัด่หมไม่ได้ถือหนึ่งนะยังไม่ได้สบไปครับ บอกว่าเนี่ยนะแก็บผู้สูงผู้สามมาจัดการกถินนะถ้ามีหลายรูปแล้วก็ไม่ใช่่าพเห็นว่ามีหลายภาพมากันนั้นเลยทั้งภาพที่มีภาพเก่านะเราก็ใช้เก็บภาพที่สาม า, า, ม า, ารถนะครับสามารถจัดการกระินได้นะรู้ว่ารู้วิธีการกระถินอย่างนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็สามารถเก็บคำภาพได้ครับแต่ถ้ า, านี้คมภางแม่เป็นไรนะก็ <c oughs> ช่วยกัได้ ด้วยยติทุติยตรกรรมวันตาวิธีหมอกฆ่ากระถินนะครับจะส่วนกรรมาันจะหมอกให่ตอนนี้นะครับรรที่ว่าต้องใช้ผ้าอย่งน้อยห้ารูปนะตรงวิธีมอกผ้ากระถินเนี่ยที่เป็นสังกรรมตรงนี้นะครับเวลาการเนี่มีปัญหาหรอไม่ใช่ไม่ใช่สังกรรมสีนะครับล่างการกันนอกเวลาการร่างการนอกนอกสีมานไดแต่เวลาสืมอกฆ่าต้องเลยสีมานเท่านั้นนะ ต้องพาหินมาช่ไหมตอนนีใช้ผ้าสี่รูปนะแต่ว่าผู้ผู้รัผ้านันรูปหนึ่งใชไหมครับก็เป็นผ้าผู้รับผาจะไม่มานะผู้ราทีหนึ่งแล้วก็สองม้วนให้สิ่รูปใช่ไหมครับเนี่ยแต่ว่าการถินนอย่างไม่ต้องใช้ผ้าห้ามใช้รา้แ่อนทีนี้การที่ตั้งไว้ในธตากกาักตักขอเราถ้าในวัตจัมปาศอยู่รูปเดียวมีทายตย้นไมยผ้าหินควรหา ถ้าพิสุดมาจากวัดอือมาเป็นคณะบูรการเพื่อการทำยี่เสียกมารฌาหม่มพระนาทิมกันเอว่าเราไม่มีสีมองสีมาทไงนะแล้วก็ไปวัดอื่นที่มีสีมาแล้วก็สวหม่อมม่อมในี่วันั้นนะครับแล้วก็กลับมาทำเหมืนที่ว่านั้นมากรามการในจีนวรนะครับเพราะยังถ้าเป็นวิธีสวดหมอมพทําีสีมาครับนะอันนี้นตามพระบาลีที่มาในชีวงบาก สัมปทาอยู่สองลูกสาวลูกหรือสี่งล nee ูกก้อเช่นเดียวกันเราสุนทานะภายในวันที่ได้ฆ่านั้นที่สุดที่เป็นองการนั้นตัดฆ่าเจ็ดห้าคองการเขาก็มีความสามานะที่าะเย็บฆ่าของฆ่าไา้ให้เสร็จในวันะแต่ถ้าทำไมไม่าก็ไม่เป็นไร่่เลแล้วก็ช่วยกันครับต้องลูกนะาในวัดทั้งหมดต้องมาช่วยกันถ้าไม่ช่วยไม่ได้ หรือนะครับต้องตัดเป็นขันท้าที่มาการกระติกต้องตัดนะครับอย่างน้อยสิบห้าขันหรือเกินกว่านั้นก็ได้ทาเป็นสังฆาติอุตราสมจีวอนเนื้อตะลาวัสงคมงคืนในคืนหนึ่งสก็มาป็นวมกัลการว่าจะเป็นอะไรนะครับถ้าองค์การ้องบอกผมจางจีวอนผมไม่ได้จีวอนผมไม่เป็นรงการลางหรอก ลองรูสิพี่ลองทำพี่บอลเนี่ยช้ากว่าครับมีตีแรกนะที่ต้องทำนะนี่เป็นีหนึ่งนีหนึ่งกว่านะกว่าจะยกางคนเสร็จนะครับฟที่ย่างเสร็จนั้นไม่ก็ย่างนิดไม่เป็นนะอาจจะเซ็จช้าพวกมันย่างใหม่ครับแตย่าีผิดครับโอ้มานั่งเอาะนะแล้วก็ย่ยงใหม่ยุบผิดอีกนะครับนี่นะตั้งแต่ที่มองสีมองแรเนี่ย ไปถึงเนี่ทีหนึ่ครับเนี่ยที่ช้าเขมาทเป็นหายห่ครับอำไรก็แลกันที่ดีนะไม่ได้คุยกันไม่ดีว่าจะียก้านไหนเป็นคนที่คนละานะครับไม่ตองคุยไม่ต้นะตนปีที่สองก็มาเชียร์กันที่ดีขึ้นก็สกดมากปีที่สามก็อะไรอย่างนี้ทำลูกเดียวได้ไมไม่ได้นะตอช่วูกช่วยนแล้วต้องคุยกันให้ดีแต่ที่หลังก็เริ่มจะมีมือแยกจริงๆนะ ก็ล mm ัจ hmm. ับจองว่าจะพร้อมรูป so, ร <laughs> <Rings> ูปปิดใจจริงๆนะครับแต่ก็รูมึงว่านค่อยเชื่ยูบช่วยจับัช่ยีพอนะครับจะไปนั่นต่างคนต่างแยกกันบวานเขาทำให้ช้าไปครับก็มีกาว่าทำไมจะที่ดีนะต้องมาเชื่อขมเลยปีแรกผมก็มาอนคันปีนั้นอ่ะที่ี่ครับผมก็มานั่งห่ตนี้คือปหนึ่งนะแต่ปีปีที่ผ่านมานี้ก็คือดีนะครับ ก็เรามือวิธีกันนะก็ไม่หนักมากกินทุบนุ่ตีทีมีหลายหลายตีหลายรอบตีหลายรอบทำไมล่าสุดล่ากุเียไม่ใช่ครับปีแรกที่เริ่มจะแยกตัดมันตัดแยกตัวเองครับปีก่อนมันไม่ได้ตัดแยกตัวเองนะเป็ตัวอนุ่มนะครับเอาผ้าหนึ่งทนก็มา แต่พอไปมาให้ทีนมันปหาเมได้ตัดชิ้นๆเนี่ยขาตัดเป็นขันจริงแตไม่ได้ตัดชิ้นนั่นไนะาถ้ายีมาการต้องตัดชิ้นๆเนี่ยเนี่ยแค่สมองเปี่ยนไหมกี่ีคผมว่าไม่ได้สักสี่ปียี่น้ำยี่นะ มันจะมีตีนอาจารยสมบูครับทุกคนตั้งแต่พใจจอยนะะองค์ายตีหนึ่งนรัอาจารย์สมบูรณนะครับแล้วใครอจารยอนะจำไม่ได้มันก็แบบทาส่อนหรือ่ากนแรกมนทา่วนหรอไม่แน่ใจนะครับกาจรพันในรางวันไม่ชอบอาจารย์มอกรีนอะไรอนะ ท้าปีนี้ชอแท่าถึงกาเนะห่วงจอ่จนะองว่ามอนอม่เี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่เนียเนี่ยเนยเนี่วยหาี่ยเนี่ยเนี่ย่ยเน่ยเนี่เี่ยเเนี่ยเนี่ย่ยยนนนยน่ หมองว่าพ่สุดที่เหลือต้องเป็นเพื่อนพิสุนั้นต้องช่วยกันทำถ้าได้ท่านิทายยทํำเป็นจีวอนเสร็จวยกนอ้อยใส่อ่ะยิ่งดีนะเราไมา่ต้องมามาตาเดียวเรที่างส่วนจีวอนที่ไม่อด้่ไม่ได้เยก่ชั้นกันนะ่น่าครับต้องมาตัดเยี่ยยิ่งสมัยกูเบอร์แร่ๆนะครับต้องสมัยช่าชันจนันก่อนชอบท่าขานะมันตัดเยี่ยยอดทุกขั้นตอนครับ เท <Or? S 1> ี่ยวในกถานครับม right. <Do me. S 1> ันเที <Yes. S 2> the the on, eh ่ยวแกะขนุนกันนะโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาครับมันเนี่ยทกขตอนเลยอาจารย์่าบอกว่าถ้านี้ยไม่ทันแห้งดีนะครับต้องทำการก่อกดีกว่าดีขึ้นก่อนะครับขั้นเลยนะครับมต่อไปเรามดูนะขั้นการกันสนกันหน่อยนะครับพอรางนะพิสูน์นะือว่าเรามาตัดเย็บย้อมแล้วนี่มนนะครับ กตจะกันนะส่วนมอผ้ากระถินเนี่ยตอนแรกนะตั้งแต่อยู่ในโบดถนะรับยังไม่ได้ตัดทีงไม่ได้นักสัหญาเป็นผือมัดเป็นใหญ่นะแล้วก็ส่วนมอผ้าอันนั้นหม้อก็หมอไปแล้วพอส่วนม้อเสร็จแล้วก็ค่อเามันจากโบสนะมาจับนะครับมาตัดเย็กมาอะไรนะพมันตัดย็าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาชมกันอีกทีเลยแล้วก็ทำที่ติกันตุยงแล้วก็เลยกลักไปทารที่บอกนะครับพร่งนีก็จะแจกขอด้วยนะ เมื่อวานนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องกระถิ่นนะหรือข้าว้างนะในทอบที่หวานเรเป็นถิ่นเลย่อดนะแต่เวลาคนถวายข้าวกรถิ่นใช่ั้มใครก็ได้หรือเปลเป็นข้างก็ได้โยมก็ได้พระฤๅษีบางชิ้นก็ได้แต่นะเอาข้าวกระถิ่นเอาข้าวกระถิ่นเป็นทานใช่เป็นทางนินเครื่องจอกถวายนะครับการถวายนะใ่วิธี ากรารกถินเนี่ยเป็น hmm. วิธีของภาคเพราะว่าเป็น hmm. ส okay. uh, ัญลกอย่างหนึ huh. also, dark, abroad, mm ่งครับผมว่ากรินเนี่ยเป็นสักรรมอย่างหนึ่งของระสดที่จะมาทำรูปกันและก็ทำให้เกิดอนสี์สองห้าอย่างขึ้นมาครับเพื่อข้าถามว่าถ้าว่ากรินจะถึานนันครับบุคคลที่สามารถให้ทานได้และขาไห้ทานได้มีไหมบก็มีข้าวไรข้าวดมาชิมก็ได้ครับบุคคลที่สามารถให หอาไ้ข้าวแตกลาหรือเ่านั้นขาใช้แ้ะเคได้ถวไได้ข้าวมัน้าเปทาตีก็ได้ทั้งมนข้าวมนดเลันที่สุขาพ ก็จะต้องเป็นมนุษย์ไหมถ้ามปนเดนฉานแ่เออเทวดามาครอบกติณีพานะครับท่านบอกว่าครับผู้ถวายกติณีเนี่ยอ่านได้ครับบุคนผู้ใดผู้หนึ่งจะเป็นเทวดาหรือมนุษย์หรือสารธรรมิกทั้ง5คนคนใดคนหนึ่งถวายก็ใช้ได้ครับได้ครับ อยในเื่งที่เล่มเจ็ดนะครับนี่เนตัวอย่างเล่มเจ็ดหน้าสอง้อสามสิบนะครับเล่มเจ็ดครับเป็นเทวดาหรือมนุษย์นะครับหรือสารธรริกข้ามนะครับอันนี้ได้เท่านั้นนะครบแต่ว่าภาคกษิเนี่ยแล้วไม่พูดถึงเดรัานนะครับแลพูดงเทวดาข้ามเนี่ยเทวดานะครับ ท่า น, นบอกว่าภผ้ากระถินเนี่ยต้องเป็นภาคที่ได้มาเลยบริสุทธิ์นะว่าเขาว่าผ้าไม่ได้ไปพูดเรีรยกเกลียดอะไรมาเลยครับไม่ไม่ต้องบอกไม่ได้เลยนะแม่โย่พ่อโย่แม่จะเป็ก็บอกไม่ได้ต้องเป็นผ้าที่บริสุทธิ์เพราะว่ารอยมาจากไม่หาลพากาคือเชื่อผ้าเข า, ปาะปังเขากีเจตทำเองนะครับเฝ้ารีทาเองไม่ใช่เราไปบอกนะเราไปบอกอ้าวโย่มแม่ มาเข้ากระถิ่ว่าทามาหน่อยปีนี้ใคามาเ่อาเลยอย่างนี้ทำไมไม่ได้ข่าวถือว่าไม่บริสุทธิ์ตลกระถิ่นนะองกระถิ่นไม่บริสุทธิ์ใช้ไม่ได้เขาไม่ได้ค่ะแต่ไม่ได้เลยมันจะรอมันจะไปหาน้ำพานกัาอย่างเงี้ยเลยนะคือเขาตามเขาไป ไม่ได so so. uh ้ไ huh. ล่ได uh ้บอกเดี uh ๋ยวนี huh. ้มาถวายใช่ไได้ค huh. ร um ับเคยได้ก uh ินเออรี่มงอกันทเนี่ยีีอน็ไ้อะรกได้จ้าอ่ตัต้องมาตัอ่าไม่ได้กแล้วไม่ได้เลยดึงขาเลยน่ยาไม่ได้ดึงขาเดี๋ยเทานี้มุไม่มตัไรยิ้มไได้นครับอ๋อไม่ใช่คือถ้าเป็นยากปนปอนาไม่มีอ่างบอรองเข คือว่วไม่สำเร็จการกระถิ่นนะครับกระถิ่นไม่สาเร็จนะครับแต่ถ้าไปบอกคุณไม่ยายามไม่เช่ปนะก็จะมีอากา็จะัดเขาเหมือนัาหลราบราหลัรนยาหลังยืนยันแล้วเนี้ยเนี่ยนั่นมันมีวินยันหรืออะไรแย่ๆนะครับอันนั้นไม่ถต้องนะครับไปบอขอคุณแบบไม่ใยยไม่เช่ปอนางั้นไม่ได้เลยใช ทำนิมิตเาไม่ได้ใส่ใจขานานาะไหนนะบางว่าที่อย่นั้ะครับท่านบอกว่าผ้าที่ทํานิมิตได้มาผ้าที่ผู้เรียบเคียงได้มาอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับทำนิมิตก็มาเความว่าพิสูจพูดเปรยกับหายกว่าผ้ า, าปืนนี้หงษพงดีอ่านผู้เหตุการณ์กรถินไนดะ้เอเห็นโยมเขามีผ้าหนึ่งก็บอกโอ้ผ้านี้ ผมน่าจะดีนะโยมก็ถามมาการันินได้ใช้ไม่ได้ของเราการถึงการไม่ขึ้นอันนี้ของมิตรทาผู้เรียนเพียงก็คือพิสูนพูดว่าการถวายผ้ากรินสมควรอยู่ทายกเจ้าของกระถิ่งยอด้บุญมากครับก็พรรณนาไปอันนี้ของการถวากระินนะโยมเนี่ยมเรื่อมิล่มเลยดีนะครับครับไม่น่าเช่นนนะครับครั เข็ไม่ได้นเรียอหน้ากับิดนะครับครับครับถ้ายอมเข้าถามเราแล้วนะคเราสามารถบอกได้ชี้แจงเข้าะว่าแต่กาบอกเขาจะมาถวายกฐินแต่เขาไม่รู้ว่าจะทานี้ไงใช้ผาอะไรอย่างนี้นะเขามาถามแล้วก็บอกแล้วก็นี่นําได้เพราะเขาบอกจะถวายนะครับครับคบาบอกว่า ทำ่ทำเร็จไมกันจะรี้จก็เสร็จก็จับไว้ไว้ในรูมันเลยอ๋อฮะยมถ้าไม่ได้ผ้าปลาปลาไหลม้าศรีฟันปารไลทผ้าไหมใยสตรอเบอรีอะไรพวกดีนะตมาไม่รับที่อ๋ออย่างนี้นะเคยไปไม่ได้นะครับไม่ได้ัเราบอกแต่ผ้าที่ใช้การกัถิ่นได้เท่านั้นนะครับจะเป็นผ้าอะไรเขาลแต่ฟังนี้ อันก็บอกโย่ถ้าย่ออกค้าที่ซึ่ง ม, มาจากร่านเะนี่ยเขาไม่ได้ตัดทุกขาทุกชิ้นใช่ไหมมันการกัะถินไม่ได้ไหนนะไหนมันบอกได้ไไม่าไตนเลยไปจอบตองไรไผ น, น, น, น, น, นั่นนี่นั้น พิสู่ที่ได้การกระถิ่นนั้นย่อมได้รับอาุสงความสะดวกทางค้ามวินัยห้าประการเหล่านี้จนกว่าจะถินกระถิ่นจะดอกคือหนึ่งรับนิมนต์ไว้ในที่แห่งหนึ่งแล้วแม้ไม่บอกลาพิสูจที่อยู่ในวัดสามารถไปเรือนหลังอื่นจากที่รับนิมนต์ได้ทั้งก่อนเวลาฉันและหลังเวลาฉันหมายความว่ามีทาง ย, ยกหนายมงเข้ามานิมนต์เราครับ ไปออกชื่อโคชนะใหนะถ้าสุขนมสุขนมให้ฟังนี้อย่างไรอย่างไครับจะมีคติถานผลว่าถ้าพิสุรักนิมนต์นะครับที่เข้าออชื่อโคชนะแล้วนะเวลาจะไปเข้าไปในหมูนะบ่บ้านบ้านเรือหลังอื่นากังที่เข้านิมนต์นะต้องบอกพระที่อยู่ในวัดนนะครับก่อนที่จะขนอาหารลงเข้านะหรือว่าขนอาหของท้าแล้วก็ดีนะครับถ้าจะไปที่เรืออื่น ก็ต้องบอกผ้าที่มีอยู่ในว้านนี่ก่อนครับถ้าไม่ยามบอกผ้าที่มีอยู่ในบ้าหน้าแล้วก็ไปเลยหลังอื่นเลยจากหลังที่เจ้า่หมดออกชื่อโภเชนาะนะครับอันนี้ก็จะต้องเอาแบบปันตีแต่ถ้าได้อานนี้สมบูรณถี่แล้วไม่เป็นไรครับ ไ, ไปได้ไไม่ต้องบอกลนเลยไปเลยนะครับหรือว่ายมเท่านี้หมดเราอะไรนะฉันเพนใช่ไหมหรือว่าออกชื่อเลยขอนุกดพระคุณเจ้าฉันปัญหาเพน เราก็ทำที่หมดแล้วใช่ไหมเราจะไปในหลังอื่นจหลังกี่ที่หมแล้วก็ไปได้เลยไม่ต้องเหบอกลาใคงก็ได้นะครับนี่สรส้างอุปสมบินนะคนนี้ได้นะครับสองเดินทางไปในที่อื่นได้โดยไม่ต้องนําจีวรไปคลุมทั้งสามผืนง่ายๆก็คือสามารถหยุดประจำใจจีวรได้เองครับอืมนะหยุดกระจำใจจีวรนด้จะไปชารไปที่อื่นเนี่ยจะเอาผ้าไปไม่ครบสามผืนก็ได้ ฝากสังกตีไม่ได้ว่านั้นนะอากาศเข้าอ้ออะไรนะไมนน่ไม่มไม่ไม่ร้อผมชอบหน้านเราไม่ต้องการเอาไปสาสุนที่มักาแค่อาจีวอับสมผสมไปแล้วก็ได้หนึ่งยุบระจากษ์รจีวองได้สาเก็บจีวอที่ได้มาไว้เกินสิบวันจนกว่าจะหมดเขตกันถิ่นในมาแลมหรือข้ามเดือนสิ ก็คือสามารถเก็บดินแดนจีวนไว้เกินสิบวันก็ได้นะครับเนี่ยที่ข้าวสิขาบดข้อ น, นี้นะครับวันนี้นู่นไปจนกว่าสมบุรอันดับสองกติในหน้าการเรียนสีนะครับมอง ว, ว่านะนะรับการเรียนสี่ก่อนถึงวันที่สิบห้าค่เดือนปักคูหน้าเรียนสี่มาโดยมีหน้าผมนะครับต่อไปนะครับสี่ไม่ต้องอริาบาลเพราะขา้ะาหน้าโพช่นหน้าสิขาบด และปรำปราโคชนะสิขาบทคณะโคชนะคือทายกเข้านีิมมบงชื่อโคชนะใช่ไหมผ้าแต่สีรูปขึ้นไปไปรับนะครั บ, บรับประเคีรวมกันนะครั บ, บรับประเคียรวมกันนะอันนี้คณะโคชนะนะครับแต่ถ้าหน้านี้ส่งไปถึงแล้วก็ได้เป็นไปนะครับก็สามารถฉันคณะโคชนะได้ปรมปร้าโคชนะคือโยมบอกชื่ออาหารเหมือนชื่อโคชนะนะแล้วก็เราไปฉันนะครับอาหารของ คนอื่นก่อนก่อนที่อ่ะก่อนของโยมที่นิมนต์นะครับอันนี้ก็สามารถฉันได้นะครับธรรมดาฉันไม่ได้นะะห็นที่โยมบอกว่าโยมของนิมนนะครับพระคุณเจ้าแล้วก็สงสัยว่าทั้งหมดเลยไปฉันพระทหารไปนะครับอย่างนี้นะตอนเชาเราจะบินทบามาฉันไม่ได้ธรรมดาอาหารของเจ้าพราที่เขานิม น, นลองนะครับเราจะไปบินทบามาฉันอาหารคน อ, อื่นก่อนไม่ได้จะเป็นอาหารของโยมที่อยู่ดื่มและอาหารบินทบ นอกจะกว่าเราบอกเจ้าพราก่อนว่าโยมนีวตามเช้าเนี่ยอ้าวพสงฆ์ก็อย่าไปบินดาบมาตงปลอดสันตินะเจ้าคราวก็ไม่ขันของเลยอ้าวก็ถ้าเห็นเจ้าโยมอยู่บนเพนตาปัญหาเนี่ยครับก็มีปัญหาแต่ถ้าไม่ได้บอกเจ้าพราวก่อนไม่ได้นะถ้าอกท่โภชนนครับถ้าบอกที่โภชนะครับอ้าวอืมรถ้าเกิดมโเป็นธรรมดาทั่วไปไม่เป็นไรถือว่าไม่ไอกชื่อพันนะครับ ผมมอเป็นเนเส้่าพออยู่บนกรดนีพอเราเก็บอยูันก็จเป็นี้ครับครับนะต้องต้องจังวิธีครับเสร็จทุกวิธีครับครับอันนี้ก็เป็นกันนะคููบาอาจาเขาถือว่าเอาเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวมันไม่ได้มีแค่เส้น มานก็ถือว่ารู้กันมีนุ่ชิ้นมีเนี้อมีอะไรออะไรใช่ครับก็ถว่าเป็นการเอชื่โผชนะไอีกตัวเวลนะาหน้าก็เหมือนกันนะแต่ว่าก๋วเตี๋ยวเจอนี่อันนี้ น, นะกวเตี๋ยวเจอนะไอ้นี่เส้นมันอนะ่ะเส้นมันก็ก็ยังเป็นโูชนะนะครับเ<อ>ส้นแค่เฉียงนะรับรับอร ะ, ะ, ะ, ะมาเนี่ยบ า, า, า้านเลย เขาได้มาถึงคณะคณะโค้ชใช่ไหมครับตั้งแต่สี่รูปไปนะฉันฝากใครบากไม่ได้เลยก็ไม่ได้ครับตรง น, นี้สําคัญตอนที่ไปรับประเคนนะเวลารับประเคนรวมกันก็้งแต่สี่ลูปขึ้นไปนเพรา ะ, ะว่ารับประเคน ร, รวมกันอาจจะไม่รับพร้อมกันไม่พอดีก็ได้นะเพียงแต่ว่าขนาดที่รับประเคนทั้งสี่ลูปเนี่ยอยู่ในรัศมีสิบสองศอกของการกละครับในหกเมตรนะอยู่ในบริเวณนั่นแหละนะครับ แม้มจะเป็นทาบครับอยศมีของไม่ถึงสองสองก็ถือว่าเราประเคารวมกันอาจจะรับเปรูปเทียบรูปก็ตั้งแต่นั้นอันนี้จะอ่อนรับประเคารวมก็ประมาณนะครับถ้ารับประเคาร์ไปแม้แต่ไปฉันแย่นะอันนี้ก็ไม่พ้นอาบัตนะครับแต่ถ้าเราส่งตัวแทนไปก่อนรูปหนึ่งอะไอย่าทีกไปเลยเอาตัวแทนไปรับประเคาไว้ก่อนในรูปเนึ่งนะครับที่เหลือก็ยังไม่ไปนะครับอยู่นอกไปนะนี้ก็จะไม่เข้านะครับ อามณที่รับประเคีรวมกันเป็นสําคัญเลย น, นะครับข้อนี้ครับครับข้อปันนะครับห้ามีสิทธิได้จีวรที่ทา ย, ยุถวายแก่สองแล้วา็ว่าจีวรที่ทา ย, ยุ็ถวายแก่สองนะครับในชั่วนิสงส์เนี่ยจะได้เพราะพิสูุที่ได้การกระถินเท่านั้นครับพิสุที่ไม่ได้การกระถิน ก, ก็จะไม่ได้ เราก็จะไม่แจกให้เจกใของเล่นน้อยนะครับ <c oughs> ถ้าไม่ได้เพื่อนหนพิสูดน์พูดกลางกระถินเท่านั้นครับในช่วงนี้ไปถึงรน่นเนี่ยถึงกลางเดนสีนะครับที่ว่ามา น, นี้คือการกลางกระถินก่อนครับต่อไปเพื่อนก็จะพูดถึงกระถิ่นดอกนะกระถิ่นดอกก็คือกรถิ่นสีนะนะ <c oughs> กระถินดอกก็คือหมดอายุสองนี้ครับพี่แจ ก็กรถินนั้นย่อมถูกทือไปเสียหายไปตามมาริตกรรมอยา่างใดอย่างหนึ่งตามมาริตกรรมแปดที่พรมุนีพุทธภาษจ้าฝันไว้แล้วอย่างนี้ว่าที่สุดทั้งหลายกรถินย่อมดอกไปด้วยเหตุหนึ่งไปอันนี้นะเหตดอกกระถินครับก็มีแาดข้อเลยกันน้มาติกาตามหัวข้อแปดข้อนอี้นะครับอืม มาสิกาแห่งการดอกมีแปดเหล่านี้คือหนึ่งครับด้วยการหลีกไปอันนี้อันนีห้ฟังก่อนนัแล้วก็จะพิมมาทีละข้อสองนะด้วยการทำจีวรเสร็จสามด้วยการตกลงใจสี่ด้วยท้าเสียหายห้าด้วยได้ทราบข่าวหกด้วยสิ้นหวังเจ็ดด้วยร่วงเคตแปดสงพร้อมเพียงกันดอก นี่ข้อแต่และข้อเป็นอยังไงนะข้อหนึ่งบอกว่าด้วยการหลีกไปเป็นอย่างนี้ครับถ้าบอกว่าพิสูจน์ด้การกรถินแล้วทำวิธีอะไรเรียบร้อยนะถือจีวรที่ทําเสร็จแล้วเกิดมีจีวรเกิดขึ้นในช่วงนั้นใช่ไหมครับถ้าก็ได้จีวรมาที่ทําเรียบร้อยนะครับอันเป็นผ้าสําเร็จเลยนะถือจีวรที่ทําเสร็จแล้วหลีกไปนะครับด้วยคิดว่าจะไม่กลับมาวันนี้อีกภายในห้าเดือน จนถึงวันเพนเดือนสี่จีวนปริพอดขาดเมื่อทําผ้าดเสร็จเมื่อทำพ้าเสร็จเรียบร้อยน่ะจีวงปริพอดขาดนะครับอาว่าปริพอดขาด เ, เมื่อยกเท้าที่สองร่วงเขินวันครับพาอคิดว่าจะไปไม่กลับมาแล้วในช่วงพันในห้างเดียนช่วงนี้สองนี่ครับพอก้าวเท้าที่สองนะครับออกไปจากเขินวันนะก้าวเท้าแรกนะยังไม่พ้นมันอีกอีกข้างนี้อยู่ในวัา น, นะครับเมื่อก้าวทสองก็ถือออกไปนอกวันแนะ อันนี้ก็ถือ ว, ว่าเสียเหมือนกันครับนะครับจีวอนปฏิบัติข้อขายก่อนนะท่านอาจารย์ตั้งแต่ทำจีวอนเสร็จนะครับทำทำวันนี้คือทำจีวอนเสร็จนะก็ถือว่าจีวอนปฏิบัติข้อขายนะครับพอท่านเสร็จถ้ามันมีความเย่อเในการทำจีวอนนะเพราะว่าจีวอนเสร็จแล้วนะครับอันีชื่อว่าจีวอนปฏิบัตข้อขายนะครับ แต่ว่าขาริพ่อยังยังยังยังไม่ขาดไม่ติที่ไม่ดอกครับแต่ทีนี้เมื่ออาว่าปริพคอขาดก็ที่ว่าจองไปแต่ว่านี่ม่กลับมาแล้วภายในอันที่สองนี้นะครับและท่านก็กลาวไปท้าที่สองอันนี้อาว่าปริพ่อก็ถ้าสมมติ่าทีบเสร็จครับ ครงอันนั้นคงจะเฉพาะคนที่เขาได้จีวนที่เป็นองค์การนะครับแต่ถ้าพื้นดูสาขอื่นที่ไม่ใช่องค์การม่นหมายถึงท่านใช้การกันถิ่นอย่าียวะครับสงมติว่าเราเนี่ยว่าปีนี้ผมมาในการกันถิ่น้วะคงการนะครับไอจีวคที่ผมก็ยังไม่ชื่อว่าครับเฉพาะคนที่เขาทาทำจิวอเสร็จเฉพาะคนนั้นใช่ไหมครับนี้ผมก็ยังไม่เสร็จนะครับผมไม่ได้ทาเลย ทีนี้คําว่าจีวรเสร็จแล้าหมายถึงว่าจีวรหนึ่งจากจีวรี่การครับอาจจะเป็นค่าบริวารของศีลก็ได้หรือพ้าที่เกิดขึ้นในช่วงวันสงกรานี้นะครับผมก็อยากจะทําจีวรเท่าถือแตจีวรตาวและอะไรแล้วใช่ไหมครับนี่นะแล้วผมก็ได้ผ้ามาแล้วก็ทําเสร็จเรียบร้อยครับไม่ใช่ตรงถืนที่กลางนี่ถ้าถืนที่การจะได้เฉพาะคนที่เป็นองค์ขา แสดงว่าถ <łość> ้ามันแตกดอกตัวนี้ถ้าว่างนี้กางนะครับวินันที่ว่าปนึ่งมันกิดรงกลางนี้ถ้าว่าจีวรของคงนั้นเห็นจีวรุ่ขึ้นท่าที่ว่าท้าจะไปแต่ว่านี้มันเกิดรงกางอีกนั้นีวร ภาพใช้รูปเรียวกัมันเกแล้วรูปหรือภาันเคีัของใครบางคนนั้นนะจะมาเชวนเพื่อนให้มาได้แล้วก็ร่วงเขตวัด น, นะครับการตอกถินของพิสูนั้นกำหนดด้วยหลีไปจีวรปริพทอขาดก่อนอาวัตปริพทอขาดทีนึ่งสองิสูจได้การกรกถินแล้วถือจีวรหลีไป อันนี้น่าจะไม่ทําคงได้ค่ามาอาญุชถือนะครับอเธออยู่นอกสีมาเห็นว่าเกิดความทิดอย่างนี้ว่าจะให้ทําจีวอนถือนี้หน้าภัยนอกสีมานี้แหละนะครับที่จะทำจีวอเนี่ยนะอ่าจะไม่กลับละนะครัคิดจะไม่กลับข้อทัานออกไปอยู่นอกว้านแล้วใช่ไหมครับอ่าว่าปริพ่อก็ขานะครับแต่จีวอนปริพ่อยังอยู่พ่อยังไม่ได้ทำาะครับทํานะครับครับใช่ครับ เธอให้ทำจีวรผือนั้นเสร็จจีวรปริพ่อก็ขาดการตระถิ่นของพิสูจนนั้นกาหนดด้วยการทำจีวรเสร็จอาวาปริพ่์ขาดกา่มครับตอนที่ตกลงใจจีวรปริพ่์ขาดนะครับนีตอหมครัอาจารย์ตอหมดครับขาดอ๋ไม่ใช่อันนี้ก็รูปเดียวกันครับอารแต่ละรูมกันนะครับนัเก็รูปอี่นที่ตอทั้งหมดนอกจากว่าสงพร้อมพินกันตอก มันจะมีข้อแปข้อเนีนครับเราไปนะครับข้อสามที่ว่าอะไรนะด้วยการตกลงใจสามพิสูจด้วยการกระถินแล้วถือจีวรหลีไปเท อ, อยู่นอกืีมาเกิดความคิดอย่างนี้ว่าจักไม่ทำจีวรถือนี้วนะ่างก็จะไม่กลับอเอาผ้าไปนะแต่เชื่อไม่คมครัลนะ ไม่ทำล้วก็เสร็จเือนกันทช <c oughs> ่ไม่ทำเสร็จเพราะไม่ทําแล้วนะเพราะว่าก็จะไม่กลับการกัดกินของพิสูจนนั้นกําหนดด้วยตกลงใจอาว่าปริพอกับจีวรปริพอดขาดพร้อมกัรท่องกาลนี้พอออกไปนอกวันแล้วก็ไปปลงใจไปนั่นต่อไปในข้อสี่หบอกว่าด้วยผ้าเสียหะทีิสูจนด้วยการกันกินแล้วถือจีวรหนไีไป เธออยู่นอกสีมาเกิดความคิดอย่างนี้ว่าจะให้ทําจีวรมือ น, นี้หน้าภัยนอกสีมานี้แหละจะไม่กัง น, นะครับเนี่ยนะเอาว่าปลิโภัณนี่ขาดต่อนแล้ใช่ไหมคจะไม่กัง น, นะนะและให้ทําจีวรมืนนั้นจีวรของเธอที่กาลังทําอยู่นะได้เสียหรือหายไหมครับอาจจะมีใครรักมาเนะี <c oughs> ่ยหรือเกิดไฟไหมขึ้นทํานี้ไม่แสน็ยัดมันทียัดคนเดิมใช้มันหลายวันใช่ไหมครับเกิดมัน กิดไฟใหม่หรือว่าใครมารักไปก่อนนะครับอันนี้จีวรปริพโคตก็ขาด น, นะครับการตอกประถินของพิสูจนนั้นกําหนดด้วยผ้าเสียหายอาราบปริพโคตรขาดก่อนเพราะว่าตงใจแไม่กลับแน่นอ น, นครับจีวรปริพโคตรขาดหลังตรงผ้าเสียหายตกพังเอ็ครับห้าด้วยได้ทราบค่ะ ถ้าสูจได้การกัะถินแล้วถือจีวหรหลีกไปด้วยคิดว่าจะกลับมาที่จะกลับมาอย่นี้นะเธออยู่นอกศีมาที่ทําจีวรถืนนั้นนะครับครั้งทําเสร็จแล้วจีวรปริพต้องขาดแต่อว่านยิงอยู่นะครับได้ยิงขาวว่าในอาว่า น, นั้นสงดอกกระถินเสร็จแล้วนะครับอว่าปริพอดก็ขาดเดี๋ยวจะอธิบ่านทุกวันสงดอกกถินใช่ไหมสงที่ว่านนะครับก็พร้อมปีนกันออกกระถินเสร็จแล้ว อันนี้พระอาว่าปริพ่อก็ขานะครับการหลอกกรถิ่นของพิสูจนั้นกําหนดด้วยได้ยินขาดจีวรปริพ่ขอขาดก่อนก็ทําจีวรเสรกก่อนครับอาวาปริพ่อขาที่นั่ตอนนี้ท่านจะหยิขนขาดตรงนี้เนี่ยที่สงพร้อมพิมพ์กันดอกกระถินนะครับก็เกี่ยอกว่าบทีต้องการจาัดและครอบอุบาลสองนะะู่นครับแล้วก็ต้องการครอบค่พาพิ้นไม่ได้จำภาษามีอยู่เรื่องนึงนะครับที่อยู่บาลสอง้นหนึ่งท่าชนชะไม่ติ เขาเข้าถวายอะไรเสร็จก huh. ่อนครับแล้วก็เ้าต้องการถวายการจีวรนะครับเหมือนเขาสร้างวิหารสร้างเสร็จนะแล้วก็ต้องการถวายการจีวรนะแก่ที่สุสวงแล้วก็ชั่วอายุสองทั้สองฝ่ายแต่ทีนี้มันเป็นช่วอายสงเนี่ยจีวรที่ถวายในช่วอนึุงต้องเป็นการจีวรใช่ไหมครับเข้าถวายในช่วอายุสองน่าจะได้ว่าการีวรหมดแต่ว่าชายทก่เขาบอกเจาะง่อ ถ้าอยู่สมายเป็นอาการราชีวอนถ้าเจา้าพ้าเขาจอดตรงนี้ถึงเป็ น, นช่วงที่สองนครับมันก็จะเป็นอาการราชีวอนอะไรนะครับทีนี้ทีนี้ถ้าเป็นการาชีวอนวเราแจกกันเฉพาะพานที่จอมภาษณในวันนั้นเท่านั้นเองครับแต่ถ้าเป็นอาการราชีวอนใครก็แล้วแต่ที่มาอยู่ในเขตว่าตอนนั้นนั้นมีสิทธทั้งหมดน ะ, ามา น, น, นะครับข้ามไปเยี่ยมทั้งสองฝ่ายนะครับข้อเทใบคงมาขึ้นครับแล้วก็ไปแจกกันครับ ทีีนี้ในกรณีนี้นะครับผู้ดวงกล้องอนุญาตให้ดอกกระถินได้ดอกครับข้ามากระถินกันแล้วครับใช่ครับทีนี้นะครับอุบาลสอกล้องก็มาบอกพิสุครับพิสุก็ยอมรับนะครังจะมาบอกพิสุนีพิสุนีูรุ่ถ้าจะไม่เป็นศูนร่างานก็อไม่ยอมไม่ยอมดอกกระหินนะครับไม่ยอมดอกให้อบาลสอบ พุทธเจ้าอนุญาตว่าครับถ so ้าว่าหลอกกรถินแล้วนะมันจะได้อสองมากกว่าครับก็ไม่หลอกแต่ถ้าหลอกกระถินนล้วมาได้อันสองน้อยกว่านี้ก็มันจะเป็นต้องหลอกครับหมายของว่านะถ้าเราหลอกกระถินแล้วถ้าเราไม่หลอกกระถินนะครับการจีวรที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ช่วงอันสองนะครับยังไงก็สู้ผ่านโยมนิ้ไม่ได้ครับถ้าโยมนิ้งเห็นพลาดอย่างนี้แล้วก็มาถวายเยอะนะครับ ผ้ามัสนิลซอนไซไม้ยาสปรลนสําค็งนั่นเลยนะครับไม่ได้นี่นะแต่ถ้าเราไม่เอาไปเอาของแกเนี่ยเราไปรอในช่วงนิสสมีอยนี้มันก็ไม่ได้นะใช่ไหมครอย่างนี้นะให้ดอกได้เลยนะครับดอกได้เลยเพิ่มมันได้ดีกว่าได้ดีกว่าเยอะกว่ันเดิมไม่ไม่ไม่นานแค่นั้นครับไม่มีการ och och ่อใหม่่รั่ปีเดียวครั้งเดียวนะครับนี้แต่ถ้าว่าเราดอกแล้วนะครับอนสมันจะน้อยกว่า กี่วันผ้าอะไรอกมันก็ธรรมดาแค่นี้แหละใช่ไหมคแต่ผ้าที่เกิดันสงมันจะได้เยอะกว่าได้ดีกว่าอย่างงี้นะนี่ก็มันจะต้องบอกนะครับอันนั้นอันนั้นไม่ได้มบดีกว่าแล้วไมครับถ้าเนียเป็นผ้าโพลเทนนั่นดี่ป่านั่นอย่างนี้ แล้ต้องการแบบมาสลินราาว่าดีราคาว่าดีสีว่าดีเนื้อผ้าอะไรมันก็ดีก็าอย่างนี้นะถกาผมว่า ก็มีการตั้งยตินะครับในสีข้าในสีมานะครับถ้าถ้าม่จเรอขอสงจงฟั ง, ฟงข้าพเจ้าถ้าความพร้อมคิดท่านของสองฆ์ผุนที่แล้วเราสงฆ์จงดอกบัลลีนะครับเนี่ยตั้งในยติามามาจาองอะไนะครับเป็นภาษาอ๋อเป็นภาษามาดินะครับ <c ười> เรงนี้ <c ười> เ, เป็นต้นนะผมะก็ยกตัวอย่างให้ฟั ง, ฟงนะท่านนี้แล้วก็สวดไปเป็นยติเรียกมามาจาัง ไม่ดังไม่ไม่มีใครฟังก็ถือว่าดอกเสร็จนะครับแต่ว่าถ้ามันได้อันสมก็เท่ากันครับจะดอกไม่ดอกมันก็ได้เท่ากันนนี้ท่านก็บอกว่าให้ดอกนะครับเพื่อว่ารักษาปัญหาเพราะว่าภาษาไทยงานนี้เลยเข้ามาใช้สาว อ่าหรือในถ้าว่าถอนหรือว่าร้อกระถินนรับครัใช่ครับอนนี้นะรบาลจะพักสิงห์สมัยขอใช้คำนี้ครับแล้ใช้ดอกนะไมเข้าใจว่าเอ๊ะสมัยผมเป็นเน็มผมสงสัยมากไอ้กระถิ่นดอกครับครับครับใช่ครับอ่าอันนี้เมื่อกี้นะดูได้สะอาดครับ ต่อไปก็หหมอกว่าด้วยสิ้นหวังครับนั่งเมื่อกี้บอกหกที่สูดด้วยการกัะถินแล้วหลุไปด้วยหวังว่าจะได้จีวอรครับโอ้คนนีในวันนั้นบริวารกระถ่มกัะถินอะไรไม่มีผ้าเลยนะครับมีแต่ผ้าไว้การจีวอรอนเดียวนะท่านไม่ได้ผ้าครับท่านก็หลุกไปได้วยหวังว่าจะได้จีวอนเธออยู่นอกฝีมาเกิดความที่อย่างนี้ว่าจากเข้าไปยังที่ซึ่งหวังมีหวังว่าจะได้จีวอ หน้าภายนอกผีมานี้แหละจะไม่กลับใช่ไหมครับนะอันนี้อาว่าปริพุทก็ขาดใช่ไหครับขาดก่อนแล้วเข้าไปยังที่ซึ่งหวังว่าจะได้สีวรวนั้นเธอซึ่งหวังว่าจะได้สีวรวนั้นว่าหมดหวังเลยนะตอนแรกคิดว่าเนี่ยโยมโปรงานนทนี้แหละเขจะถวายเราใช่ไหครับแต่พอไปจริงเข้าไม่ถวานนะครับโอ้โยมไม่สะดวกสศกิจไม่ดีไม่เป็นจใช่ก็สิ้นหวังเลยนะครับ อันนี้นะจีวรปริพรอ็ขาการป่อกรถินของพิสูจนนั้นกําหนดด้วยสิ้นหวังอาราปริพอดขากรเพราะไม่คิดจะกลับกรนนะครับจีวรปริพณดขาที่ น, น, น, นสิ้นหวัเจนพิสูจน์ได้การกระถินแล้วถือจีวรหลุกไปอ่พเขาเจนยังไงอ๋อด้วยร่วมเข็มนะครับถือจีวรหลุกไปด้วยคิดว่าจะกลับมาเธออยู่นอกสีมาให้ทําจีวรถือนั้น ครั้งทำจีวรเสร็จแล้วจีวรปริพอดก็ขาที่ว่าจะกลับมาจะกลับมาเขาไหนที่จะกลับมานะไอจีวรันิสงเนี่ยจนร่วงคาวกัะถิน่อนะครับหน้าท้ายนอกสีมาก็อยู่จนร่วงเลยอันิสงกันถึงไปนะเลยในการเรียนสีไปนะครับที่ว่าจะกลับมาจะกลับมาจะกลับมาไม่ได้มาทันทีนะครับเลยเวลาแบบนี้ครับร่วงอันิสงแล้วนะอันนี้ดอกไอธรรมชาตินะครับเพราะว่าร่วงไปแ่้นะครับ หน้าภายนอกสีมาอาบ้าปริพอ์พ่าขาการหล่ระถินของมิสูนั้นกําหนดด้วยล่วงเคจีวรปริพอข์ขาก่อนนาบ่าปริพนข์ขาสินะครับนี่นคุณอย่างของเราก็จะเป็นลักษณะ น, นี้นะมันดอกเองเพราะว่ามันเลยในวทีวลาแปดนะครับแปดเพราะว่าสมพร้อมเพรียงกันดอกเอาแปดที่สูดได้การกระถินแล้วถือจีวรหลีกไปด้วยชื่อว่าจะกลับมา เธออยู่นอกสีไม้ทาจีวรผืนนั้นครั้นทําจีวรเสร็จคิดว่าจะกลับมาจะกลับมาแล้วกลับมาทันการดอกกระถินพร้อมกับสงอันนี้กลับมาแล้วก็มาดอกกระถิ น, นรพร้อมกับสงการดอกกระถินของพิสุนั้นพร้อมกับสงอาว่าปริโภคกับจีวรปริพ่คขาพร้อมกันครับเอ๊ะขาพร้อมกันนี่เลยครับบอกว่าทรั้นทําจีวรเสร็จ คิดว่าแล้วทาจีวรเสร็จก่อนนะ mm hmm. จ๊ะจีวงปริพอร่อในสังกัดทอนจีวรแต่คิดว่ากลับมาแล้วก็กลับมาทําการดอกปฏีพร้อมกันสองน mm hmm. อะครับอาว่าปริพอร่อกับจีวงปริพอร่อขาดพร้อง mm hmm. กันไปดกันนี้เท่ากับพร้อมกัน hmm. แต่เขาเวลาดอกถือว่าบริโภคถือว่าขาดด้วยและหนึงสงสัยว่าท่านทาจีวอนเสร็จก่อนแอ่ะตอนทําจีวอนเสร็จแล้วน่ะจีวอนบริโภคก็น่าะขาดไปแล้วคือถ้หรองว่าอันนี้ไม่เด้หล่อ บอกแต่ว่านะครับพิสุได้การกระถินแล้วถือจีวรหลุดไปนี่ที่ว่าจะกลับมาเธออยู่นอกศีลมันให้ทําจีวรผืนนั้นเนี่ยนี่นะ น, นะทาจีวรเสร็จแล้วครั้งทําทจีวรเสร็จคิดว่าจะกลับมาจะกลับมาแล้วกลับมาทันกระถินดอกการบาระสิงของพิสุนั้นพร้อมกับพิสุทั้งหมดมีความบานี้บอกไม่มีนี่แต้ในที่นี้มีความขึ้นของพิสุ อันนี้ในการลืกระถินที่มีการรื้อพร้อมกันอันนี้พูดถึงนะครับเสร็จในการลืกระถินที่มีการลื้อพร้อมกันบริพอดสองขันไม่ก่อนไม่อยากตัดท่าก็ว่า บ, บอกว่าขพรอาจจะเพราะว่ากระสง่งท่านก็เสร็จแล้วก็กลับมาพอดีนะคร่าหรือมาทําเสร็จในวัน <c oughs> แล้วก็ลื้ ในการเรื่องกระถินมีความก็รู้สึนะไรวันนก็อย่างนี้ก็แล้วกันต่อไปนะครับง่ายวักดาในอภาระที่บายอยการอภาราทิบายอย่างละเอียดในเรื่องกระิมนั้นเพงทราบในที่กล่าวนแล้วในเอกาชื่อสมมาตตปกาติกาเนี่ยจะดูเรื่องนี้ครับในกระถิานการณ์นะปวดตาที่สา ถ้ามีในพิฎอกเรื่องเจนะครับเลยห ร, รือว่าจะพยาทางสรุปมา ใ, ให้ก็ได้นะครับเลียนเรื่องมาให้ก็ได้นะจำเรื่อนครับเพราะเห็นนั้นด้วยคําว่าประกาศสนินบทีนเองครั้งเมื่อบทินดอกแล้วนี้พรามิพระผ้าเจ้าทรงแสดงถึงความไม่มีปริโภคอที่เหลือคือไม่มีอานาจปริโภคความต้องการจะอยู่ในวัเดเลยนครับต่อไปประเภที้า เขาบว่าถ้าสาหันประมังความว่าสิบวันเป็นเขตกาหอนดอย่างมากแห่งการเก็บอดิเลกจีวอนอันเห็นนั้นจึงชื่อว่าถ้าสาหันประมังก็มีสิบวันเป็นอย่างนิ่งอธิบายว่าภิกษุเก็บอดิเลกจีวรไว้เกินสิบวันนะที่ได้ชื่อว่าอดิเลกจีวรเพราะเป็นผ้าที่เกินมาไม่ใช่ผ้าที่อธิษฐานหรือวิกัพไว้ อืมครับสิบวันคือวันแรกคือนับวันที่เราได้ผ้ามานะนรับนับวันที่ได้ผ้ามนับนะวันแรกเลยครับนับไปสิบวันเคยมีการเขาเคยคุยกันเอ้สิบวันนับยังไงวันนี้อารุณเนี่ยอานุณวัแรกนับยังไงวันนี้ยังไม่นับใช่ไหมนับพรุ่งนี้หนึ่งนี้ไม่ใช่นับแต่วันนี้นะครับวันที่หนึ่งนะถึงคุณจะได้ตอนประมาณตีสี่ ได้ผ้ามแล้วพออารมุขึ้นก็ถือว่าหนึ่งหนึ่งลาตีแล้วนะครับเนี่ย น, นับไปเรืะะ่อยเพราะมันไม่ใช่นะหนึ่งลาตีก็คือแค่ตนวั น, นนั้นคืนนั้นเลยนะครับเท่าหนึ่งลาตีตาม น, นับลาตีที่ที่ผ่านมานะครับ อ, อารมุนนะอารมุนที่ผ่านมาของวันนี้นะครับถว่าตีสี่นี้นะครับอารุณขึ้นป ก, ก็ถือว่าได้หนึ่งอารุนแล้วหนึ่งลาตีแล้วะครับ ความพอควันขึ้นก็คือเป็นเข้าวันที่สองแล้วอย่างนี้นะข้าวันที่สองแล้วแง่ตีสี่กันอขึ้นค่สิบนาทีแม่แต่น่า น, นีอะไรนิดหน่อยปกตินะครับจีวอที่มีกําเนิดมาจากสิ่งของของชนิดเหล่านี้คือ <c oughs> เปลือกไม้นะครับสมัยก่อนมันมีภาพเปลือกไม้นะป้าย หม้ผลสัตวป่าและสิ่งของ5อย่างข้างต้นะสมกันครับและจะเกิดจากสิ่งที่สมบูรอันคอยตาาสิ่งของของชนิดนั้นก็ได้ครับเกิมาจากสิ่งอื่นสมัยนี้ใช่ไหมยายสับประรดดึงมาทำได้ใช่ไหมครั บ, ร บ, รบเป็นยายสับประรดสัปปะระไยเนี่ยนะนเป็นไรมันจะมีย้ายสังข้อมีอะไรใช่ไหมครับ มักจะมีคนเยอะคือผ้าฝ้ายนะแต่ว่าเขามาผสมอะไรอีกนคับหอมผสมอะไรนะครับมีผ้าฝ้ายผ้าไหมนะคับสันผ้าไหมก็จะนุ่มหน่อยนะครับใยสับลนนี่ก็นุ่มนิ่มดีครับไม่ว่อเจอส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเจอแต่ผ้ามักดิ้งที่ใช้นิดนึงครับมัตสึดิ้งแกบอะไรก็คือเป็นฝ้ายนะครับแต่ว่าเรามีผ้าที่ผสมนผสมพวกไม่รู้ยังเคราะห์หรือเปล่าสมลงไป ถ้าเป็นป้ายแท้เน่มีใช่ไหมนะครับจะเป็นหนาๆ ห, หน่อยนะครับเป็นเนื้อหยากรู้นิดละเอยียดก็มีนะมันจะมีช่วงหนึ่งที่เขานิยมทำป้ายนะครับผมก็ทิ้งเขาเลยทำป้ายอย่างนะย <c oughs> บอนี่โหครับ<อ>ใช่ใช่เมือนที่รู้ที่เก็งใช้ไหมครับนั่นเลยทำป้ายแต่ก็ยังเก่านะนนรือแกเกไปบางสุดคุญาจหน่อยส่วนที่สงองไอใครมีรู้สึกจะใหม่ตัวนี้หน่อยนะครับสมัยองเขาก็าใช้แบบนี้แหละ แต่มันใช้ผ้าจะดีกว่าหน้าหนังเรามันจะใหม่มันจะอะไรกว่าแต่องแกนี่เก่ามากครับอย่างนั้นถ้า ป, ป้าๆ น, นะผมนี้นะครับว่าโดยประมาณแล้วอันนี้ใดจีวอนนั้นนะครับที่ควรแก่การวิกัพไว้กําหนดอย่างต่ำสุด น, นะก <c oughs> ว้าง15ยาว50นะครับนี่นะที่จะเป็นอันดีใดวอนที่ใช้าตางกันมา ก็คือผ้าที่ควรในการรีกับคือ้าที่สูงห้ายาวห้าสิบครับประสงค์เอาแล้วในสุขาผล น, นี้สมดังพรดาบรมราชวัลผ้าคเจ้าตัดไว้ว่าที่สุดทั้งหลายผ้ามีขนาดยาวแปดนิ้วกว้างสี่นิ้วโดวยนี้เขาจครบเป็นอย่างตา่ตาําตาอนุญาตให้มีกลับได้ส่วนคาำใดที่กล่าวไว้ว่าเพราะไม่ใช่ผ้าที่อธิฐานหรือีบกับไว้ ในคํานั้นถึิ่งทราบความเป็นภาพที่อธิฐานหรือวิกัพโดยในนี้ว่ า, าพิสูจทั้งหลายภาพตายจีวอลวนีนอยากให้อธิฐานไม่ให้วิกัพครับตายจีวอเนี่ยนะที่เราอธิฐานเป็นไปเลยสังฆาเตมุตตาสังฆาตระาวาัตกรรมเนี่ยอันนี้ใช้าการอธิฐานนะครับมันไม่มีสังฆาตงเตมิกัพเปรมีมันมีแต่อีกบางจีวารังใช่ไหมอธิฐานไม่กลับเปรมี นี่ครับผ้าธรรมดาแต่ถ้าเป็นตายไม่มแต่การพิถานะไม่มีสักการ์ติกับเฟรมนี่เลยครับถ้าน้ําฝนให้พิฐานตลอดสีเดือนอยู่ฝนส่วนเวลานั้นไปให้พี่กลับไว้ถ้าปูนั่งห่างพิถานไม่ให้พิกลับถ้าปูนอนห่างพิถานไม่ให้พิกลับถ้าติดสีให้พิถานตลอดเวลาที่ยังอาผ่าอยู่พ้นจากนั้นให้พี่กลับไว้ถ้าใช้ดฝันให้พิถานไม่ให้พิกลับ ข้าบุริษฐานโจแท้ทิฐฐามไม่ให้ไม่ใช่พิกลตอนนี้แท้ไม่ต้องอ่านนะครับเราอ่านในชีเหมือนนั้นหมดแล้วนะการทิฐิามท่านี้คือเหมือนกันครับวันนั้นถือว่าว่างหมดแล้วหน้าร้อนห้าก็ทั้งหน้าไม่ต้องว่างแล้วนะครับการขาทิถามเนี่ยก็ในชีวนั่นถือว่าคุมแล้วนะครับเหมือนนั้นเนี่ยนะก็ผ่านไปได้เลยในข้อหน้าร้อยห้าเลยนี้ไม่ต่แล้วเนื้อความเหมือนกันครับเหมือนในตอนอ่านในชีวเลย ม า, นนาหน้าหนึ่งว่ายหก่ลยนะครับไอ้ตรงย่อหน้าที่เป็นตัวภาษาบริกดำนะข้อว่าตังตนะครับตรงนี้เลยข้อว่าตังอติกการไมิตโตนิสเทียงปาสเทียงมีความว่าจีวรซึ่งมีชาติกำเนิดและประมาณตามที่กล่าวแลเมื่อพิสูจให้เลยเวลาสิบวันไปเป็นอย่างยิ่ง ในระหว่าง น, นี้จะไม่กลายเป็นอนิเลจีวอโดวยวิธีใดไม่ยอมทําโดยวิธีนะั้นก็คือไม่ยอมทิฏฐานหรือ ว, ว่าพิกักนะครับต้องนิสิกิยาปานสิตรีครับขยายความว่าจีวอนั้นต้องเสียต้องสลเสียและวิสูจธินั้นต้องบรรพานสิตรีนิสิกิยาไปซึ่ก็แปลว่าอ่านไปตีที่มีการเสียสละไปดนวยในครับ คือต้องสลากของก่อนนะถึงจะปองอาบัตตกนะครับถ้าไม่ยอกสลากกปองไม่ตรงอย่เ่งินทองเนะี่ยมันยังมีอยู่ในย่ามอยู่นะจะปองไปเท่าไหร่ อ, นะ า, า, า, อาบัตก็ไม่ตกนะครับพ่วงมันยังอยู่ในยา <c oughs> ่ามต้องมีการสลากของก่อนอันนี้ผ้าเนี่ยเหมือนกันถ้าเป็นนิสกีนะเพราะว่าเกิ น, กนนะสินาบวันครับต้องสลากที่ปองอาบัตตกนะครับอีกอย่างหนึ่ ง, งการสลากชื่อว่านิสกีย้ นิสสกิยานะเป็นชื่อของวินัยกรรมที่จะต้องทําในส่วนเบื้องต้นเนี่ยต้องฝลัดก่อนนะครับการสลัดนั้นมีอยู่แก่วัตถุนั้นครับสิ่งหีืวัตถุนั้นต้องเหมือนกันแหละเห็นนั้นวัตถุนั้นชื่อว่านิสสกิยาวัตถุนั้นคืออะไรคือการต้องอนบัติปาจิตติในฐานน้นนี้มีเนื้อความดังนี้ว่าเมื่อพิสุให้เลยประมาณนั้นวินัยกรรม คือการสลัดสื่อของคือต้อง อ, อับัตไปดีพราะมกับการสลับสื่อของอันนี้อธิบายสัสนสยยย้นๆเขามันจะเขี่ยไปดีุบง่ายๆว่าอาบัตไปดีที่มีการเสียสลัดไปวิ น, นัยเก่าเนี่ยสุบไปง่ายๆมนอย่างนี้หครับนะก็จีวร น, นั้นเกิดขึ้นในวันใดอารุณ์ของวันนั้นอาศัยวันที่ได้จีวรมา พราะฉะนั้นผ้าที่เลอยสิบวันไปพร้อมกับแกาขึ้นไปแห่งอรุณของวันที่สิบแดนะครับพ อ, อรุณของวันที่สิบแขึ้นปุ๊บนะก็ต้องสักคีนะครับรวมกับวันที่ได้ผ้านั้นมาเนี่ยวันนั้นนับด้วยนะวันแรกได้ผ้านับนะครับนยยับไปนะพออรุณของวันที่สิบแดขึ้นก็นโดนผ้านั้นต้องถือเอาไปฉละแกสงฆ์นะหรือแกบุคคล เนี่ยวิถีสลากทอดสนากแกงสงก็ได้สลากคนัวได้ส่วนใหญ่เราก็จะนิยมสนากแกุคลใช่หมง่ายดีสลาแกงสงโอ้ยนี่องไหนครสีล่กครับแต่บางคนเอาเนี่ยจะทํเพราท่านก็บอกว่าท่าไม่ไหนผมอยากจะลองสลากสองดูเนี่ยทำยังไงนะครัก็มีวิธีนะอันนี้ฐานในพระมิเนจยมนต์ ชัดเจนชัดเจนดีนะครับวิธีเสียงศาสนาแก่สองนะท่านบอกว่าที่สุรุ่นั้นเพิเข้าไปหาสองผมผ้าอุจราสง์เฉวียงป่าดนะครับผม้าเรียบร้อยนะการท้าที่สุดผู้แก่สงสารกว่านั่งกระยงประนมมือก่ายอย่างนี้ว่าเป็นภาษาบาลีหรือภาษาไทยก็ได้นะครับท่านเจ้าข้าชีวรภูนี้ของข้าพเจ้าร่วงสิ่งมันเป็นของจำจัสมาร พระเจ้ า, จาสลาสวาพืช น, นี้แก่สองนะคเนี่ยก็ว่าคำศาสนาไปนะธรรมดาครับนีจุว่าภาษาบาลีก็ได้นะถ้าในในทีเนี่ยเนี่ยจะมีคำาสนาผ้า อ, อยู่างครับคำาสลาผ้าตรงนี้นะครับตรงคำาสลาผ้าอ่าที่มีภาษาบาลีอะรทีนี่อ้าวหยเดียวนะครับ แก่ดีเดจีวอจีวรที่เกินจากที่ได้หาตเกินสิบวันใช่นหบนี่อย่างนี้นะอีทางในทันเตนะหรืออุโสจีวรังทาสาหาติกรตังนิสักยังอิมาหังไอ ส, สัมมตโตนิสัชามิอันนี้เขาสลักกับคนเดียวนะเขาใช้อัยสมตโตนะครับถ้าสลักในสงฆ์อเป็นสังฆะนะตอนอ้สมตโตหยุดนสังฆะอยเขเป็นบนะี้ นี่เข้าไปสลักปรมสงคนะครับเมื so, so, ่อสละกแล้วทำเลยคั่นสนากแล้วพ yeah. ึงแสดงอาบัตฟังิงเวลาแสดงอาบัตกับประสงค์นะครับมันก็มีการตั้งยติก่อนนะให้พิสูจน์แล้วหนึ่งครับตั้งยติรับอาบัตนะครับเนี่ยจะมีการแยกขั้นตอนนะตั้งยติแล้วก็รับเป็นตัวแทนรับอาบัตนะครับก็ปกรองอาบัตกันไปพอปกครองอบัตเสร็จแน่นะครับ ก็ตั้งยติคืนผ้าหีก็ลที่น่าจอมีหลายตอ น, นครับบอกว่าชั้นตลาดแล้วคืนแสดงอาบัติพิสุผู้ชาตผู้สามารถคืนละอาบัติคืนคืนจีวรที่เสียตลาดให้ด้วยยติกมาวานาว่าอย่างนี้นะครับตอนละอาบัติก็ตั้งยตินะตอนคืนผ้าเกาตั้งยติท่านเจ้าค่าขอของจงคฟังข้าพเจ้าจีวรถุงนี้ของพิสุ ม, มีชื่อนี้ เป็นของจำจะศาสนาเธอสลาแล้วีย่สงถ้าความพร้อมพลั้งของสองถึงที่แล้วสงคึนให้จีวรผืนนี้แก่พิสุตมีชื่อนี้ครับเสียชลาแก่ข้าหน้านะครับก็มีผ้าสามูปนะพิสุตรลรูกนะั้นถึงเข้าไปหาพิสุหลายรูปผงเท่าชลาสองเฉลียนบาคาครับผู้แก่ภาษากว่าหานึ่งนะครับนั่นนงระยองกวนนมมืองกาญอย่างนี้ว่าท่านเจ้าข้า จีวรผืนนี้ของข้าพเจ้าร่วงสิ้วันเป็นของจำจัตสาด์ข้าพเจ้ า, สาัสละจีวรผืนนี้แก่ท่านนางาลเปลี่ยนคําว่าแก่สองก็เป็นแก่ท่านนางาลนะครัครั้งนาดนัด้นคุณแสดงอาบัตินี่ก็เหมือนกันนะถ้าเป็นสละแก่ข่านนางารูปเนะี่ยเวลนนาจะแสดงอาบัตินะครับเขาก็ต้องตั้งยติเัมือนกันตั้งยติรับอาบัตินะครับชนะเป็นการตั้งยติรับอาบัตินะครับแล้วก็รัอาบัติไป พิสุพุชลากู้สามารถพึงละอาบัตคืนคืนจีวรนที่เสียสละให้ด้วยยติเิงเราตั้งยติเองธรรมวาสนาว่าง น, นี้ท่านเจ้าข่าขอจงฟังพระพุทเจ้าจีวอนผืนนี้ของพิสุมีชื่อนี้เป็นของจำเนตสละเธอสละแล้วแก่ท่า น, นัางหลายถ้าความพร้อมพั่งของท่านนางหลายถึงที่แล้วท่า น, นั้งหลายคืนให้จีวอนผืนนี้แก่พิสุมีชื่อนี้แต่ว่าถ้าสละกับคณะสองลูกนะครับ ไ ม, ไม่ต้องตั้งยตินะครับรูปเดียวก็ไมต้องตั้งยตินะครับต้องสิกสมและสิกขึ้นไปหรือว่าชนะก็ใส่ <c oughs> ถ้าสองรูปเนี้ยอันนี้นเวลาข <c oughs> ลาดก็เหมือนกันขนาดท่านเชอาข้าท่านนั่งหลานขาดจะยอมผลกันท่นั่งหลานเหมือนกันครับแล้วก็มาแสดงอาบัต ก, ก็ได้เหลยครับแล้วก็คืนผ้ากันให้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องตั้งยติก็พูดเป็นธรรมดาครับเด <c oughs> <ess ur ic language> อ, อันนี้เราจะพูดถึงความต่างกันระหว่างสลาดกับพิจาวณาหนึกับสองรูปนะเพราะสองรูปก็ชื่อว่าคณะองค์ปบแต่ว่าเวลาสลัดเวลาเขาปรองดองแบบว่าขืนภาพไม่ต้องกั้ยตินะครับความ ต, ามตา่างกันถ้าพากย์แกปุบพลูเดียวเนี่ยก็เข้าไปหาพิจาุรูปหนึงข อ, องภาพโณาของเฉียงบานบั่งประโยคคนมุมมือการนี้ว่าท่านมีรห น, น้าหรือ่านแท้ ว่าไปนะครับจีวรผืนนี้ของข้าพเจ้าล่วงสิบวันเป็นของจําจัตนาลข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่ท่านท่านสละแล้วคืนแสดงอาบัติี่สูตรูปนั้นครับพิสูตรผู้ร่ำเสียสละนั้นคืน่งรัอาบัตินะเนี่ยนะเขาจะมีสละผ้าจำไว้นะสละผ้าเสร็จแล้วก็ปองอาบัติก่อนะครัแล้วคืนผ้าทิ้งเพิ่งคืนจีวรที่เสียสละให้ได้ความว่าข้าพเจ้าให้จีวรผืนนี้แก่ท่านง่ายๆเลย อนนี้นะครับก็เสร็จพิธีนะครับก็ควจะอาบมาแล้วชินตัวนี้นะครับเนี่ยในมีการนในใกลางขานะครับท่านก็จะอธิบายถึงวิธีการสลับผ้าสามอย่างแต่มีการอธิบายเป็นสองแสนาษาบาลนนีนะจะมียากนะครั่นานจะพูดถึงการเปลี่ยนสัตว์นะถ้าเป็นสองคณะหรือบุคคลเนี่ยจะเปลี่ยนสัต์เป็นยังไง ผ้าหเดียวค้านีิใช้เป็นยังไงครับนี่ครับคครับครับครบครครับครับครับคครบคัััครับครับครับัคครับ เพราว่านนี่เป็นเีมงวินัยกรรมนะครับต้องต้องคืนให้ก่อนถึงจะยืงไปก็ต้องมีการคืนให้ก่อนแล้วไปขอยิงมันทีหลังนะครับแต่นี่เป็นเพลงวินัยกรร ม, มยังไงต้องคื น, นะครับคือคืนตอนน้ำไหลครับไม่คืนไม่ได้แต่ถ้าว่าไม่คืนเลยและไม่ยืมด้วยออกไปเลยนะครเอาให้ผมนนะ่หรอไม่ต้าแบบพิกอนนะครับแต่ว่าถ้าเอาไปนะถ้าที่รู้ว่าเนี่ยเป็นเพลงวินัยกรรมมันต้องคืนแน่ <c oughs> ใช่ไหมครับ เอาไปออังเล่เนี่ยจะเอาเป็นกระทิงไปอะไรไนแล้วนะด้วยไถ่ยศไม่ไถ่ยศนะครับนี่ไม่ปักนะปักตีราคาทองนะครับตามราคาทองเลยนะครไม่ได้ครับเพราะมีใจที่จะเอางเขาเป็นไถ่ยศเขาไม่ไแต่ว่าถ้าเอาไปไม่เคี่ยวเขาให้เราแล้วอย่างนี้นะก็เดยไม่รู้อันนี้เป็นแค่ตุกกรธเแต่ถ้าเอาไปด้วยไถ่ยศนะคิดจะยึดเอาอะไรอย่างี้ครับตอนนั้นนะตีราคาปักอันบอกได้เลยครับ ขนาดนั้นเลยะครับี่ไรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงๆอยจะอะไรเดี๋ยวผงไปสนานกับลูกอื่นไม่ได้อยู่กับลูครับไม่มีใครไม่มีครไม่มีครเวลาปองบัตก็ท่านนี่แหละถูกถูกกันครับเป็นเพราคถ้ซึ่ง ตัวจะมีขายไ้เลยเ่อ๋อครับหลันี้ก็ปาบางทีถ้า้วไม่รู้ที่ไหนดีนหรือว่าคิดมากเลยนะครับอย่างอย่างผ้าที่ผมบาะว่าขนา้นะตอนนั้นเข้าไปเข้าของกระถนะครับเดี๋ยวพอก็เอาขิดโตมาส่งเขาจะอยู่สี่ฝั่งยงนะครับแกขีดโตก็มาแกขัวแกมีถ่ายยจิตนะครับผมรับขีดโตผมรักขโมดโตโยงมนะครับ นี่แกไปจับอะไรไม่ได้อเลยนะแต่เกรงว่าเต็มีไถ่กี่หมุดม น, นะครับคิดเกลียดเมื่อนาดนั้นครับไม่เป็นมากเลยในที่สุดท่านก็ทาบเจว่าเต็มเอาลูกเป็นผ้าดหครับแล้วก็วิ่งถึงวิ่งล่อเขาเลยนะแล้วก็วิ่งไปนู่นครับเราไปถึงทะเลเลยพอนี้ได้วิ่งไปถึงป้อมหลวงครับไปเจอทองชาตินะครับท่านก็หยิบมานะครับยิบหยิบทงชาติมานะแล้วก็วิ่งไปรอเครับ นถ่นจริงนาที่ว่าเขาแส้ชัยนั่นเมื่อก่อนถ่าวันเดียวกจะใช้ผ้าหั่นนะครับถ้าเราวิ่งแต่เราเราก็จะมีเสม้อังหรือว่ามีอะไรตัวเดียวด้วยนะครับนี่ยแล้ววิ่งมาลงวอร์มบนทะเลเลครับต้งชาติไทยฟื้นเป็นผ้าหั่นวิ่งไหมนั่นแล้วไหมครับอะไรครับ คือเป็นภาพที่แบบเค้อย่โลกภาษาบางก่องแล้วครับแล้วก็มาเรียนวินัยที่นี่ครับแล้วมันเจอประสาชิคอธนาราชาแหละและชิมมาเครียดเลยครับแล้วมาเข้าองมหาฐาอยู่คนเดียวน่ยิ่งตึกหนักอย่างที่นี่เครียดเลยครับนี่อกโลกภาษากำลเริบนะเป็นอะไร ยังถ่ายรูปตัวเองแล้วนะเย็นจ้งเย็นผมว่าดนทางนก็อาจจะจะไปดูอะรบงบินเั้ทางมันไม่ยอมขึ้นมาเลยท้า ผมบอกแกว่าท่าจะไปประเทศลาวุงจะตั้ง่ายเองครับก่อนมันไปไม่ได้เรียนต้องฟังาไม่ตั้งจะตงให้กลับมาต่อครับหน่งร้อยวิธีการสลด่าก็อย่างที่พูดเมื่อกี้นะครับนี่เปทีบาลภาษาบาดีคนที่ไม่สัมผัสภาษาบาีก็ไม่เป็นไรฟังได้ใชลกันครับถ้คนที่สัมผัสก็ ว่าก็ดูตามในเรื่องการสละนั้นมีขั้นตอนัำตอบอยนี้พิสู่น์คือสละแก่สงอย่างนี้ก่อนว่าท่านผู้เจริญจีวรของกระผมนี้เกินสิบวันเป็นสิ่งที่จะต้องสละกระผมขอสละจีวรนี้แก่สงครั้นสละแล้วคุณแสดงอามบัดอย่างนี้ว่า ท่นเจนริญกับผมต้องอัญลิสกียปาจิตตีตัวหนึ่งไม่จะว่าละเอียดเลยนะนะครับแบบตัวหนึ่งก็ว่าได้ถังพันเตถึข ง, ขงขีดในข้างล่างะเอกรรังลิสกีก้ยองปาจิตยองอาปันูตังปฏิเทเสมีนะครับกับผมขอแสดงอาบัตานั้นถ้าต้องอบับัตสองตัวก็ควรกล่าวว่าต้องอบับัตสองตัวก็เทเวนะครับอาปฏิโยนะถ้าเกินกว่านั้นก็ควรกล่าวว่าสัมภูล่า ป่อไปหลายตัวเราจะปองเลื่ออย่าง ท, าที่เราเคยปองนั้นก็ได้ครับ ป, ปัญหาอะไรปองอะไรแม้ในการสลักผาถ้ามีอสองผืนนะครับหรือหลายผืนก็ควรกล่าวว่าท่านจะเลิกจีวงของกระผมเหล่านี้เปลี่ยจากผืนนี้เป็นเหล่านี้เก็บไว้เกิ น, กนสิบวันเป็นสิ่งของที่จะต้องสละกกระผมขอสลักจีวรเหล่านี้แก่สง เมื่อไม่อ่านกล่าวบาลีก็ควรใช้กล่าวด้วยประการอื่นภาษาอื่นก็ได้ครับวิธีการสลากผ้านะพูดเป็นภาษาอื่นก็ได้ครับคนญี่ปงอาบัตภาษาไทยก็ได้เลยครับมีไหมมันจะมับางคนเมื่อก่อนกับภาสโซลว่าเชียอไทยนะก็าพงเนภาษาไทยครับเขางภษาไท้ก็ได้เหมือนกันนะครับทีมถูกผู้ฉลาดผู้สา ม, มารถพึงสุปการให้สงส่าว่าเนี่ยเขาถ้าไป งาปตะ ส, สงนะสงต้องมีการตั้งยตินะคะรับอาบัต น, นะครับสุนาตุเมพันเดสังโฆอายมอิทฐานนามพิคุอาปติงสัลติวิรติอุตานิงกโรติเทเสติยะที่ฝังขสัตปตะกะลังอาหังอิทฐานนามสัตก็ใส่ชายาพิสุขนเข้าไปนะครับพิคุโนอาปติงปฏิคันเหยอยยัง ถ้ามุจรเลขอสงสุงฟังข้าพเจ้าที่สู่รูปนี้แลลึกถึง อ, อาบัติได้เปิดเผยจะทําให้แจ้งแสดงอาบัติถ้าความพลั่งพร้อมของสงถึงที่แล้วข้าพเจ้าพึงรับอาบัติของพิสุนี้ครั้งรับอาบาอัติโดยลักษณะ น, น, นี้แล้วควรกล่าวว่าปัสสีท่านเห็นอาบาัติหรือพิสุผู้แสดงอาบัติกล่าวว่าอามะปะสามิ ใส่พันเตนก็ได้นะปะจิตอมโศตาปรติโยอามะพันเตสสามิค้ามผมเห็นผู้รับกล่าวว่าอายติพันเตน ส, เยยสังเวลยาสิกคุณพึณสงสมรวมต่อไปผู้สสารกล่าวว่าซาชุสใส่พันเตนอมโศก็ได้ซาชุสุสุสังวริสามิดีแล้วครับผมจะสังวรระวังให้ดี สำหรับอาบัตสองตัวหรือหลายตัวก<ม>็ควรเปล่งวาจาด้วยในก่อนถึงกัน ค, ค, ครับก็เทเวอปติโยสิโวอปติโยนะครับเพราะว่าไปเ <c oughs> มื่อแสดงอาบัตเสร็จแล้วพี่สุภผู้สวดควรสุดประกาศให้สองทราบว่าวก็คือสวดคืนผ้านะสวดมอบผ้านะสุนาจุเมคันเตสังโคอีทางจีวรังอิทันนามะสัพิกุโน นิสิกิยังสังขสัตมนิสตังยะทีสังขสัะตตปาตากังลังสังโคโ อ, อิมังจิวรังอินฐานนามสัสสภิกขุโนทเอยากท่านเจริญขอสงจงฟัง พ, งพระพเจ้าจีวรนี้เป็นนิสิกิพิสุนี้สนาแล้วแกสงฆ์ถ้าความพรั่งพร้อมของสงถึงที่แล้วสงฆ์ปรให้จีวรนี้แก่เถอดจิวรที่สนาแล้วอย่างนี้สงต้องให้พื้น สำหรับจีวรที่มีมากกว่าหนึ่งผืนควรเปล่นวาจาต า, ตางครัูก็คำว่าอีกทางจีวรังกับอีกทางจีวรังเนี่ยถถานอื่นก็ต้องเปลี่ยนเป็นอีมาหนี้จีวรานี่ <c oughs> เองครับปลี่ยนเฉพาะตรงนี้นะผมก็เลยวงให้ดูครับออันหนึ่งพิสูจเมื่อจักรณะแก่คณะกล่าวว่าอีมาหังหรือว่าอีมาหนี้อ่บ เนี่ยนี่ต้องการธรรมนาพึงกล่าวว่าอายสมันตาอายสมันตานินศาชานิตอนแรกสังคสษกนะครจาคณะเป็นอายสมันตานั้นแม้ที่สุผู้รับอาบัตพึงกล่าวว่าเนี่ยก็ตั้งยติแลอาบัตเหม่อกันนะครับสุดนั้นตุอายสมันตาายังอิทันนามุพิคุอาปเจงสัตติวิวรติอุตานิงการติ เพศติยธาญาสมันตานังปตะพลังนะครแม้ในการให้จีวรก็ควรกล่าวว่าก็ตั้งที่ติดเหมือนเดิมสุนันตุเมอาญสมันตาอีทังจีวรังอินทานนามาตพิกขุโนนิสกียังอาญสมันตังนิสัทธังยธายสมันตานังปตะพลังอาญสมันตา อิมังจีวรางอิชันนามัสาภิคุโนโท่าเทยยุ่ต้องท่าไทยยุ่งนะเพราะว่าหลายรูกนะครับอุตานีครับกระซัให้ตึงอุตานีครับตงนีุ้นเด่นเป็นนี่นี่นะเปอมุตานีแต่เาติดกันเลยใช่ไหมครับ้องคํานี่ยนะได้ไหมครับติดกันได้ ต่อไปครับอันนี้นะก็สลัดไปครับแปลว่าอะไรอย่างนีไปให้ฟังอ่าก็แปลว่านะครับท่านผู้มีอายุทั้งหลายของจงฟังข้าพเจ้านะครับจีวนี้ของพิสุรูปนี้นะครับเป็นของจำจัสละท่านสละแล้วแกผู้มีอายุทั้งหลายถ้าว่าความพรั่งพร้อมของผู้มีอายุทั้งหลายถึงที่แล้วนะครับ ก็มีอ น, นิจจังหลายเพิ่งให้ซึ่งจีวรขืนนี้แก่วิสุทมีชื่อนี้นะครับนี่นะนี่นะครับคําที่เหลือเหมือนกับคํามีในทั้งเกอะ น, นั่นแหละแต่เมื่อจะสละแกะ่บุคคลคั้นกล่าวว่าอิมาหังหรือว่าอิมานอานอหังได้นั้นสองแบบนะครับตอนที่กับม่สที่แล้วคุณกล่าวว่าไอสัมมาโตเนี่ยเปลี่ยนจากสังขสไอสมมันตานั้น เป็นอัยสมัตรมนะรูปเดียวนะแกผู้มีอายุนิสสัตชามิคั้งแะละและ้วคือแสดงอาบัตอย่างนี้ว่าอาหอารอหพันเตเอการนิสสกียัมปาสติยังอาปโนตังปฏิเทศเอมี่นะครับแปลว่าถ้าเจริญข้าพรเจ้าต้องบัตินิสสกีไปอีกตีหนึ่งตัวนะครับข้าพรเจ้าขอแสดงอาบาัตอัน แต่ถ้าพิสูจผู้รับอาบัตอ่อนพันสากว่ากล่าวว่าอาอุโสแม้เมื่อพิสูจผู้รับอาบัตานนะครับกล่าวแล 8, nah. ้วว่าเมื OUGH, es, so. 8, ่อไม่เอาเมื่อเมื่อไม่เอานั้นกล่าวแล้วว่าประศิหรือประสถานะแล้วแต่อุโสราพันเตควรกล่าวว่าอามักพันเตใช่ไหมภาษานี้หรือว่าอามะอุโสนะภาษานี้ภาษาหนแล้วนะครับ กว่าว่านะครับกลัวนี้ไม่เอาแล้วกว่าว่าอาไม่อาอาิว่ า, าแล้วเนี่ยก็ปัามีใช่นะคะรับปัามีลำดับนั้นเมื่อพิสูจนู้ละอาปักว่าว่าก็วิธีปองอาบัติธรรมานน้นที่จะปองกันั่นแะอนุติณสังเวลายาสิกรืว่าหรือสังเวลยาถาเพื่อกว่าว่าสาธุสุดถูกสังเวราีแล้วก็ใสคนเติร์ตโสภานะครับเมื่อแสดงอาบัติแล้วนนะะ อ, อ, อ, อย่างนี้ ทิ้งสู่ภูรัอาบัตรจึงให้ผ้าด้วยกล่าวว่าอิมังจริวรางอาญสมัมปโตธรรมิขประเจ้าให้จีวรผืนนี้แก่ท่านมุนนายุทธแล้วก็บอกให้นะผมขอให้จิวอนแก่ท่านหรือหมอบจิวอ น, นี้แี่ยท่านว่ากัแม้ในผ้าสองสามผืนก็เพิ่งทรางวิธีการตามแนวทางที่กล่าวไว้ในครั้งก่อนนั่นแหละครับท่านหลานผืนก็ จีวรเหล่านี้นอนใช้เปเหล่านี้แทนแต่เมื่อจะตลักกับพิสูจนสองรูปก็ปรุงสลักเหมือนกับชื่สลักกับข้างหน้าของเขาก็ใช้คาว่าอายสัมันตานั่นนะข้างหน้าของเาำดับนั้นพึงอันนี้ผมให้เขียนมาเลยแปลนวนใหม่ครับเปลี่แปลถกต้องนะก็ตามให้ขงบนครับเี่ยนจนวนเป็นลำดับนั้นพิสูจรูปใดรูปหนึ่ง เนันบดานที่สุเหลักนั้นเพืนกระทําการรับอาบัตและการให้จีวรที่สะอาดเหมือนอย่างที่วิสุรูปเดียกยกระทําช่ครับถ้าสองรูปใช่ไหมเข้ามาชำระปุ๊บแล้วก็ขอบตรงอาบัตมีแล้วเรก็รับอาบัตไปสองรูปไม่ต้องไม่มีการตั้งแท่นตีอะไรครับพอรับอาบัตเสร็จแล้วก็คืนผ้าให้เขาเลครับก็ถือว่าใช้ได้ก็เหมือนอย่างที่วิสุรูปเดียกกระทําครรับุูำ เขาแค่รุ่นไหนรุ่นหนึ่งก็ไม่เป็นปัญหาพิจารณาอันบาทนะครับอีรุ่นหนึ่งอาจจะอยู่นอกอันบาทก็ไม่เป็นไรตอนที่เขาแสดงมันจะมีคนตัวแทนรับคนเดียวนะสองรุ่นครับเวลาปองก็ปองรนธรรมดาครับ ก็จะมีตัวแทนมาลานะครับต่นมาแทนที่แม่ครับเรเปที่แต่มีที่สงยแต่เรารลสูรูปเดียวครับเดี๋ยว่าีทีงสูนั้นัิกรูกเลยครับสบายด้วยนครับที่เราเป็นแลวกสถานที่เราสใกับเดียวครับเราก็พูดไม่ต้องไปกีแอนนี่คือผมว่าจะไม่น่าเลยนะ น่าอยู่ที่ใจเราไรเบอร์สลากนครนะครับแต่ลูกเดียวต้องการทาวินัยกับฝั่งลูกเดียวนี่แหละใช่ไหมครับเพียงแต่เ้ายืนท่ากางสงพอดีคือเวลาคนมียืนใกล้ เอรมีปัาโออันนันมีประหาอยแล้วครับม่ต้องไล่ไม่ใช่ไม่เสียะครับอวรล่คนอใช่เสียนะอันนี้ผมยังไม่แน่ใจร้อยปรเ็นนะครับาเป็เพียงจนวนมิตินะครับดาวไม่ถ่ายที่นครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีในการสลับวัตถุที่ควรสลัทั้งหมดก็ทำนองเดีกันนะครับ การสงนานันที่เหลือเนี่ยเนี่ยถ้าเขาจะพูดถึงครับจึงอยู่สิ่งของเหล่านี้คือจีวรบาสนี่ก็จะมีใช่ไหมท่านในนิสสขีนะบาสนี่ก็มีผ้าในสีชนะนะครับอันนี้ก็สงน้า่อไปตีนะครับต่างกันเพียงว่าถูกเท่านั้นนะครับส่วนวิธีสงัดก็คือเหมือนกันเปลี่ยนคำพูดนะครับนั่นเองจากจีวรก็เป็นบาดนี่เป็นผ่าในสีชนะไปส่วนว่าถุกที่อยู่รับหลังนะครับ คือนสลักเลยใช้คำว่าเอตันได้รครับอ๋อไม่ได้เอาผ้าอมาก็ได้นี่อ้าวผมลืมเอามาครับ <laughs> ลืมเอามาแต่ก็สอะอาดได้นะครับนี้นถ้าผ้ามีมากถืนควรกล่าวว่าเอตานิเหล่านั้นแม้ในการให้ผ้าที่สลักแล้วก็มีใน น, น, นี้เหมือนกันก็คืนใหครับเดือดจิ้มไม่ได้เอผ้า <laughs> มีการมาทำวินัยกรรมกันอย่างเดียวครับครับ <c oughs> เมื่อพิสูจไม่ให้คืนสิ่งของที่สลักแล้วด้วยสําคัญว่าสิ่งของนี้พิสูจนนี้ให้แล้วแก่เราเนี่ยถ้าเข้าใจท่านไม่เข้าใจวิไจไ่ไหนนักจะทําทำไมนะครับไม่อยอมคืนให้เนี่ยต้องวัตรุกอนะครับพิสูจรู้ว่าวัตถุนั้นมีเจ้าของชิงเอาไปด้วยการอ้างเรื่อจากะไรอย่างนึ่งนี่นครับชิงเอาไปเอาเอาเลยนะครับใจผันยึดจิตแล้ว เมื่อพ่สุดผู้เป็นเจ้าของหมดหวังที่จะได้เอาต้อ ง, องขอทุนอะไรเี่ยขอหมดหวังไม่ได้แล้วนะครับพามีในทรัพึงรีราคาของแล้วปรับอาบัตถึงเกิดมรดินอย่างใหม่ไรนะัเนี่ยเพิ่งได้มาเนี่ยยังไม่ได้แกะกล่องเลยแกะ อ, อ่ในในในอาไม่ม้ด้วยเขาที่มาทําีรกรรมอย่างนี้ครับอันนี้เป็นเพียงมีมนกรนมขอเนับน ใช่ถึงใจแล้จะตยังมีก็อันนี้ก็ไม่เป็นร้รมีเป็น ไ, ไม่กรรมจริงใชมครับใช่ครับืออันนี้มอยาจะพูดเลือด เ, อเรื่หนึครับเรื่อเสียช่าการสงพอผูเหียเรื่องสงฆ์คนดีใช่ไหมครับมันจะมีอาบัตไม่ไม่เก่กับเป็นอาบัต น, นะเีย ม, มาลายา่าในช่ามการสงฆ์มีอันหนึงผมเคยพูดใหฟหน้าฟังนะครับมันจะอยู่ในวิสุทธิมรรคที่ผพูดถึนงนะครับ พ่จะว่านี่คือมั่งเนีหลายๆที่นะท่านก็มาจากในพระสูตรเลยนะครับที่ก็ อ, อาจารย์พอเพื่อนที่ไม่สมควรท่นานการสงนะครับมันจะมีอย่างที่เป็นการตอนเนี้นะให้เวลาเข้าไปในโบสถ์ใช่ไหมหลังจบปฏิบบอกองลายเสร็จเวลาจะประชุมกันนะครับและใ น, นที่สู่บางรูปรูปขึ้นยืนนะครับพอยืนท่านให้ยืนผูดในท่านการสงนะครับถือว่าเป็นอนาจารย์อย่างหนึ่งเนี่ยท่านการสงนะครับจะมายืนพูดไม่นั่งไม่ได้นะครับ อะเารย์พราเสด็ละกุปาจามนั่งกันเต้นใช่ไหมครับตัวลูกขึ้นยืนแล้วก็พูดเฉยเลยครับอย่ันนี้ก็ทิ้งหนาา้นาตาต่างหาว่ามันเหมาะแล้วก็อยู่เนือลมพระเสร็จเป็นลูกขึ้นยืนถึงนาาหง น, หน้าต่าเหนือลมพระเสด็จนี้ก็ไม่ ค, ควรนะครับแล้วก็ยืนถึงหน้นนหนาตาแล้วก็พูดด้วยนั่นนะเขาเรียกว่าอนาจาคือความพที่ไม่เหมาะสวมข้ามตาสองนะครับถึงจะไม่เป็นอาบัติแต่ก็ไม่ควรเขาเียนอนาจาอยู่ใ น, นมือทิมมนนะ เราไปดูที่นั่นจะมีหลายอย่างนะครับกวานแท่นั่งเบียดผ้านเทละแสดงความสวดปฏิโมกนะครับหรือว่าสาทยายคำไม่ขอโอกาสผ้าเทระอันนี้นะทางการสงไม่ได้เท่านั้นนะครับแก่อาจารย์จะพูดขึ้นก็อนุไม่ขอโอกาสไม่อะไรนี้ไม่ได้นะทในท า, ากนมมงการสงนะคะนนระคับต้องมีการขอโอกาสนะครับวันนั้นเช่นทังอะไรนะท่านวิทยาสวดอะไรปฏิโมกขิตขัดใช่ไหมครับทักเข้ามาเฉยๆเด็กที่ไม่ได้ขอกับผ้าเทร่ไม่ได้ อยนี้ไม่ได้หรอกน่าจะองขอโอกาสก่อนนะครับความจริงอยู่ไปช่ากันหลายคนก็คนส่วนกหญ่ตอยู่แล้วะอให้คนทัวเนี่ย้าดศีลหน้าที่เป็นท่านทหน้าที่นั้นท่านทั้งคนเรียก็ขอจริงๆไกลแม่ผมเคยไปสู่โอ้ยยีคนทั้งเนยมันไม่อยากจะต่อแล้วนะครับมหมดกาลังใจครับแล้วถือก็แม่ใช่เพาไม่ได้เรียนม่ด้อืม ใช่เขาไม่ท่านขนครับอันนี้มันเกิด อ, อะไรขึ้นไม่รู้นะมันหลายอย่างครับผมก็เคยพูดมันก็มีอยู่ค่าพรูปเนี่ยตอนนั้นเนะ่ยคือเขาไม่เห็นด้วยหรือว่าไม่ค่อยยอมรับอะไรกระติลากษณบางรูปนี้เนะ่ะเวลาเขาประชุมมาท่ำการสงฆ์ภาพติลักษณ์สงองคูดเขาไม่สนใ จ, จที่จะฟังนะครับเขาคุยกับภาพรูปนึงตอนหน้าตามก็เห็นจัดจ้นนะผมก็เลยบอกอาจารย์ตอนนั้นนะครับแล้วก็ก็มาคุยกับผมทีนะผมก็เลยบอกเขาเรื่องนี้นะ เขาพูดากเขามียอมรับทางอย่างนี้เขามยอมรับ น, นี้นะ mm hmm. โอ้นี่ระบตดนะทีเดียวมนน่าทึ่ทิครับ mm hmm. ขณะทีเขายะไ ม, มาฟังเลยธรรมาที่พเทยาคุมาสาบรรญายเ่นียครับท mm hmm. ่านี่บนว่าไม่ได้ฟังคว่า mm hmm. แต่พ่าพระนั้นมาสแสดงธรรมให้าบาจริงไม่ยอมมาฟังครั บ, รบ mm hmm. น, นี่งงเลยน่าจะเอาอางไงครับ เบางทีมันมานน่าิสิครับไม่มีทีมันก็อย่างเ่าอาจารย์นนท์ไทยเนี่ยท่านแสดงความดีมากผมชอบมากเลยนะชอบจริงแล้วมีทั้งท่านมาแสดงงานวิสาขามูชาห์ระหว่างเนี่ยโอ้ยท้องท้งท้างร่างนะครับท้องผ้าท้งโยงโอ้ชอบกันอย่ามากครับขณะมันมีโยงตางขึ้นมาถึงบนเขาน่ะวันนั้นใช่ไหมครับแต่ท่านนั้ชอบก็มือไปเลยนะบางทีเนี่ยพอแบบไม่ผูกปดหรือว่าอะไรสักอย่างนี้นะครับ ก็ไมา ย, ย, ยอมฟังคนะรับมีเสียประโยชน์ตัวเองป่านะเสียประโยชน์ตัวเองนะครับอันนี้ไม่ดีเลยครับอ่าครับดีนะโอ้นี่ก็มือว่าเป็นท่อยขอคนนั้นคละกันนะครับเรื่องัง่อเสียประโยชน์อ่าครับ ครับครับก็คือถ้าถ้าไม่รบกวนนะไม่รบกวนฝระนะคุณอาจารยก็ไม่เป็นครับอย่างนี้เองครับครับอยู่ในอ่อครับนั่นแหละเราไปดูนครับแตขึ้นธนาอะไรก็แล้วแต่นั่นนะครับเก็จะได้รู้กันมันจะมีสมัยที่อาจารย์นอนอยู่นะครับ ไม่มีใครกล้ามาทำไปไหนเนี่ยนะตอนเวลาเขาอยทำแล้อย่างเก่งมากไม่มีใครกล้าทํานี้นะครับเวลาถืงปฏิโมกขุ้งนะครับ อ, จอาจารย์ของเราจะนำจุดมันต่อทันทีเลยใอยากกระส้วนก็ออกไปครับสเสียงจะไม่ค่อยออกไปกันหรอออกไปกันน้อยครับสเสียงก็จะมาสวดมนต่อเลยเพราะอาจารน์นแล้วครับถ้าจะไม่ไหมจริงก็ออกไปออกไปแล้วก็เวลาประชุมก็คือมันจะมีการพักคนมาเข้าน้ำนะ ประชุมอย่างนี้ต่ออะไรลแล้วก็ต่อไปเลยใครหัวก็ออกไปก่อนและลูกที่เหลือที่อยู่ก็คือประชุมต่อไปอะไรต่อไปนะครับนอกจากว่าอาจารย์ออกไปแต่ร <c oughs> <c oughs> ออาจารย์นี่นะ <c oughs> แล้วก็ต่อเลยครับยังไม่มีเหมือนสมัยนี้นหละออกไปห้างนะ้าเราไม่ชม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยืงข้างไมยอมเข้ามาตัดสินต้องมาเรียกตัวเข้ามานี่นะ <c oughs> ม, มันไม่ได้เขาเรียก <c oughs> <c oughs> ม, ม, มีข่าวรถิดลักกูบาจ้าถ้าก็มานะั่งรอกันเต้นเนี่ย แล้วถ่องนั่งชมวิม <c oughs> อ, อยู่แล้วก็เียหนลองนี่นะครับไม่ดีนะและก็สมัยก่อนก็ยอมเก่งบัตรสีดำมาเขาไม่การยืนพูดนี่เก็าาทาการศุยไม่มีเนาะนะคณะมาตอนนี้มีอยู่ทีหนึ่งโยมย่อลงก่อนที่จตายไปนะแกก็มาพูดยืนขึ้กับพระสงฆ์เาในห้องเบอร์แปดนะแกจะมาขอทาสีพัะบุรลูกใหม่ พวกเทวดาแปดอะไรแกดวันต้องมาท้า <c oughs> งก็มาขอใหญ่เลยนะแล้วแกก็ตอนแรกนั่งอย่าง น, ะ น, งนี้แล้วก็ยืนพูดนะครับยืนขึ้นพูดกับประสงค์เลยนะเจ้าดรก็ยังให้ให้นั่งลงเลยนะครัให้ไม่ยอมในะขณะโย ม, มาทำนี่นะครับถือว่าไม่เคารพสงฆ์ไม่กลควนะครับเป็นอาณาจารนยะ์ะอ้นี้ผ่านนี่ย ม, มาทําเองมัน <c oughs> คือเราสื่อสายที่ไหนไม่น่าจะมีลักษณะนี้ใช่ไหมครับ ขณะว่าที่ขคยายังม่ไศึกษาพินใัยคายไม่มีลักษณะ น, นี้เลยนะครับบางที่ใช่ไหมที่ข้ายังขารุปปฏิละกุมบาคานอันนี้อยู่ผู้ในฝันนะแม้แต่คนไทยคำยืยนไทยก็ก็ไม่รับใช่ไหมเขาเรียกยืนคําหัวผู้ใหญ่เราดูาพระสุรักกุบาสานนั่งกันเต็มนะอยู่ดีคุณลูกขึ้นแบบสองสาลูกลุกขึ้นยืนทั้งหมดแล้วก็คุยด้วยครับแมนะ้ประเพณีทางเราก็ไม่รับกันนะอันนี้เอย่าทำพินัยคายคุณไม่ได้นะครับมีมีเรื่องต่อมา ครับครับคือต้องไม่ขยันอ๋อครับเวลาเวลาหยุดพูดอ๋อใช่ใช่ใช่ใช่อ๋อไม่ใช่เวลาจะยืนพูดท่ากางสองครับอันนี้รำรำไม่ได้ยืนอยู่แล้วนะครับคือคือเจอต้องไปเอาหลังต้องไปที่นั่นาเข้าไม่เป็นไรครับนี่นะมีแต่ว่ายืนพูดท่ากลาสมมติว่าเกิดว่า นันงกล้ตรงนี้มีแต่มีวันในลองฉันนะครับถ้าจะขอโอกาสก็มีนะครับที่นั่นจะปักอาบัตนะมีแต่วันในวันในลองฉันถ้าจะถามว่าไว้อโลฉันเหล่มันจงมีลองฉันในในกลางบ้านนะครับนสนามใกล้ๆว่าจะติดกับท่านเลยใช่ไหมอาสนะต่ออาสนะอะไรท่านจะให้ขอโอกาสวันที่แล้ว่อนครับ อ๋อใครมีเขาเขียนหอมจีว่งไงจะคุ้มไม่คุมดีนะ่ะอันนี้มันก็หอฉันเนะี่ยไปคุยกันแล้วเอาไปมาไปดูหลักฐันว่าไม่ต้องคุมก็ได้นะครับ <c oughs> รู้สึกมันก็พ่อมากเ้าจะแจกเป็นสองนิกายหรือเปล่านะจะิดใหญคุมไม่คุ้มเละ <c oughs> ไม่รูเขียนเรื่องห่อฉันหรอเปัติแต่พ่อมาก็มีสองมติไครับมีมติหรือว่าถึงเป็นหอฉันอย่างนี้นะ ถ้ามียมเข้ามาทาบุญถวายทำอะไรกันมากันอย่างนี้นะเขาจะห่มคุมไปครับที่บอกว่าข้ามโอ้เรก็มีนะยังว่าเกิดอาจารย์าจยจะมีผ้ารูปหนึ่งใช่ไหมถ้าห่มคุมมาเลยนะครับถ้าถือว่ามีคารวะญาติโยมมาตรงนี้แล้วนั่นถือว่าจัดขนาดระบายบางนั่นเขาตีหนักขนาดนั้นเลยนะแต่ว่ามีนี่การเนี่ยเขาก็เขาไม่ได้ตีอย่างนี้นะครับเขาก็ลดใหม่เหมือนกับตรอดธรนาดาครับเนี่ยเขามาก็มีสองโอคมีสงสัยอ่าครับ แต่ก <Cornell> ็ดูตาสัแล้วก็เข้าใจว่าไม่ใช่นะลักษณะนี้นะครับนี่เหมือนกันเนี่ยสามหน่าที่เขมาอยู่กินกันอะไรกันอย่างนี้ะถึเป็นเขตว่าก็ถือว่าเป็นในระับบากครับที่ต้องดง้นะครับเกิดกว่าตั้งแต่้ายขึ้นเลยครับ ไปไนะครับมันใกล้กับบ้านโยมนะติดนะครับต้องพูดเสียคลีว่านะไรบ้างบ้างเหมือนกันนะครับอย่างนี้นไม่ได้ครับมันก็จะ่าโดนทุกกดในเสียคลีว่าเนี่ยต้องต้องเล้นที่ดีนะครับไม่รู้บางทีแล้วก็โอ้มันจะพูดยังไงก็หาโกาสใครที่ช่วยบอกชื่ออะไรได้นะก็หาวิธีเแล้วกันที่จะเปลียนแมลงอะไรนะครับแก่เรื่องนี้เนี่ยท่ามกลางสอง คือผมผมก็อยู่มานานไงเห็นข้อแตกต่างระหว่าเทียกาางดอนอยู่ตรงนั้นน่ะก็ยังมีการควบคุมการปฏิมาเยอะเขาไม่มีลักษณะเย่างนัแต่พออาจารย์เราไม่อยู่แล้วก็ต่อมาก็เป็นลักษณะบดีพูดท่านของสมก็พองออกมาเลยนะมันจะมีรูปนี้ที่ชอบบอกเองไม่ว่าเขาใส่อะไรท่านเหมือนกันบอกไหวกขึ้นมาอะไรนี้นะ เออดังเลยนะมีลูกเดี่ยวน่ะอะไรสียงด้วยังอะไรนยงงี้ยนะมอนอะไรเงียนะแล้วก็พูดประมาณมีเสียงดังนะแล้วก็ท่อนกลางสูงด้วยไม่มีการขอมทางกลับด้วนะครับอย่นไม่ไม่ได้นะครับมัาดครับทำยังไงอ่านะครับ คนมาน้าที่งผีเนี่ยฟังอยอะขนาดภาคสินรัแสดงข่าวไม่เหมือนฟังอ๋อหลายอย่างอันนี้พูดให้ฟังกันแล้วกันนะครับอาอ่าต่อนะต่อต่อต่อไปประเภทอาบัตนะครับครับคือสามบทนี้พว่งข้าวข้าเจ้าทรงปลาล้วพวกทรงปลารอบโคไปสู่จักบัญชีในเมืองเวสารี บัรยัติได้แล้วพ่อเรื่องคือการเก็บบนิเดจีวรไว้คํานี้ว่าภาษาอัปรมังเป็นอนุบัรยัติในสิกขาบท น, นี้ครับที่อนันติวัตรเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมเขียนทุกผ้านอนนะสิกขาบท น, นี้เป็นสาธารณะบัญญัติพิสุนีก็มีครับอนันติกัดไม่เกี่ยวกับการใช้นะครับใช้ไม่เป็นใครทํำคนนั้นนะครับเป็นเมื่อพิสุไม่สระยังใช้สอนอยู่ต่อบัตถุกบนะครับ น, นิสสึกคียไปปีสิขาบทนะครับทั้งปวงก็ทั้งปวงนะก็คุณสร้างเหมือนกับในสิกขาบทนี้แหลหมายถึงว่าถุนิสสุคี์ทุกอย่างนะตรงนี้นะนี่จะพ่อจีวรอย่างเดียวเป็นบาปเป็นผ้ า, อ ย, าอย่างอื่นก็แล้วแต่นะครับถ้ายังเป็นนิสึกคีและยังไม่ยอมศาสนาใช้สอยอยู่นะก็จะต้องบัตรทุกกฎเหมือนกั น, นท่านก็จะไม่พูดให้เยอะแล้วนะบอกว่าในทีนี้ทีเดียวน่ น, นะครับก็เป็นบัตรทุกกฎเหมือนับนี่นะ ก็พึ่งทรางเหมือนกับในสิขาบทนี้แหละดังนั้นข้างหน้าข้าพเจ้าจะไม่อธิบายสามอีกนะครับ <c oughs> ของยังไม่เกินสิบวันสำคัญว่าเกินสิบวันหรือมีความสงสัยต้องบัตรก่อนครับนเะนี่ยนะสำคัญผิดหรือว่าสงสัยนะครับถ้าเนี่ยไม่เกินสิบวันนะก็ยังต้องบัต น, นะครัต้องบัตก่อนของเกินสิบวันไปแล้วเข้าใจว่ายังไม่เกิน มีความสงสัยต้องบนปฏิเสธไปดีถ้าเกินสิบวันแล้วนะครับเห็นจะเข้าใจว่ายังไม่เกินนะหรือว่าสงสัยก็ต้องปทิเสีมันก็เป็นติการนะเกินสิบวันไปแล้วรู้ทั้งรู้ใช่ไหมหรือว่าสําคัญว่ายังไม่เกินหรือว่าสงสัยก็ต้องปฏิทสธนั้นถ้าเช่นเดียวกันคือถ้าที่ยังไม่ได้ผิวผานยังไม่ได้วิ่กัง น, นะครับมนเป็นดีเลอยู่นะั่น ยังไม่ได้สละยยังไม่หายยังไม่เสียหายยังไม่ถูกไฟไม่ยังไม่ถูกจนปล้นเข้าใจว่าเป็นผ้าที่อธิษฐานไว้แล้วเป็นต้นตั้งบัตินิสขี้ไปอีกทีถ้าเกี่ยไม่เกินสิบวันนะเรายังไม่ได้อธิษานยังไม่ได้มีกลยแต่เข้าใจว่าอธิฐานกลับแล้วนะครับหรือว่ายังไม่ได้สลายนะเพราะว่าถ้าอธิษฐานแล้วมิกลแล้วหรือว่าให้คนอื่ไปแล้วนะครับหายไปแล้วเสียหายถูกไฟไม่ถูกจนปล้องนะอย่างนี้ก็ไม่มีการต้องอาบัติแล้ว เพว่าถูกมันหายไปแล้วใช่ไหมแต่ไม่ไม่ได้เป็นอย่างนี้หน้าเราเข้าใจไปเองครับว่าหายไปแล้วถ้าที่ยังมีอยู่นะอาจจะไปซุบไว้ในรังไหนก็แล้วแต่นะครับจะมของเราอยู่ยนี้ถ้าเกิดสวันนะก็ยังต้องอ่านปากิสซิชิย์ไปดีีเหมือนเดิมไม่พอนี้จะเปิดให้อยู่นี้นึครับมีคำํำอ่าคำพูดเหตุ ก, การณ์สลาก้าที่สงสัยนะถ้าสงสัยมันจะมีคําพูดสลายนิดหน่อย ถ้าสงสัยเนี่ยแล้วเราบอกว่าร่วงสิบวันไปเลยเนี่ยมันก็จะเป็นมุสาอะไรนะครับอ่าวถ้าเกิดว่ามันไม่ร่วงสิบวันแหละใช่ไหมเรายังไม่ล่วงสิบวันเราบอกว่าใครร่วงสิบวันไปแล้วนะครับ <c oughs> ถ้าร่วงไม่ ไ, ได้นะเฮไม่ร่วงมีไปโดนมุสาหรือเปล่าท่านก็มีวิธีพูดนะครับเกี่ยนกับว่าถ้าสงสัยนะบอกว่าฝ่ายพิสุจผู้มีความสงสัยในการพิฐาว่าเออเราพิถานรยังหรือยังไม่ย ท่ก็แน่นอนว่าข้าที่ถามอธิษฐานต่อหน้าที่สุทอื่นก็ได้ครับถ้าเราเป็นคนที่สงสัยที่หลงที่ลืมนะว่าพิษฐานยืมเมื่อไิษฐานนะครับเวลาเราเกิดสงสัยก็มาเราได้ถามเพื่อนได้เอาข่านี้ผมพิษฐานนี่ยังเท่านั้นนะนะได้ถามเขได้ครับหรือทำผู้หมาหมากวเลยนะที่ปฏิทินครับอธิษฐาน้าวันนี้เกิดลืมขึ้นมาก็มาดูอ้าวเราพิษฐานแล้วเนี่ยวันนี้นะครับเกี่ยวสายไก่ สามครับนั่นครับเนี่ยถ้าบอกว่าถ้าสงสัยเนี่ยจะทําอย่างไรพึงบอกความเป็นผู้สงสัยแล้วกล่าวว่าถ้าจีวอจำไม่ได้อธิษฐานให้พูดอย่างนี้ก่อนครับก่อนเสียสละนะบอกว่าสงสัยแล้วก็พูดว่าถ้าจีวอนจำไม่ได้อธิษฐานเมื่อเป็นอย่างนั้นจีวอเป็นของควรเข้าไปจ้างนะครับแล้วคุณเสียสละโดยในดังกล่าวและนั่นแหละ แล้วก็สลายไปดางธรรมดานนครับเรียนจะไม่พูดตรงนี้ก่อ น, นถ้า G จีวรนี้จะไม่ได้ฐาเมื่อเป็นอย่างนั้นจีวรเป็นของควรแก่พระบิดานี่คือคพูดตรงนี้นะพระก้อนอยู่วินัยริโลกเล่อนสามนะครับหน้าเจ็ดร้อยยสปนะครับดูได้ น, นะครับตรงนั้นไอ้ตรงย่อหน้าแรกนีครัะมันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดเลื่อนสามนีะครับหน้าเจ็ดสองแปด ต้องทเป็นกรรมัูเหมือนกันครับยอทุกตรงที่าสงสัยครับมันจะเป็นทุกเพราะว่าเราไม่ตอนที่สงสัยเราไม่มีเจตาว่าจะเอาไปลดหรือว่าอรครับสงสัยแล้วเรก็ยังเก็บวเรื่อยๆนะครับสงสัยมากเกินสิบวันแล้วนะ แล้วก็ยังเรา ย, ยังไม่ได้ไปสารนะครับก็ออยังเก็บไว้ใช้เรื่องๆต่อไป น, นะครับอาาบัตรอาณาบัตรพิสุไม่ต้อง อ, อาบัตรเมื่ออธิษฐานผ้าไว้ภายในสิบวันที่ปัญหานะอธิษฐานไปเลยสอง<ม>วิกัพไว้อิมังจิวรังตุยหังวิกัพไอมิเนี่ยนะ หลายปุ๋ยก็ได้นะครับอีมันทีวลานี้คือขาวมิกับเตมิข้าพเจ้าขอมิกับผ้าเหล่านี้แก่ท่านเดียวเลยสามสละนะ้นลักษณะแล้วก็ขาดแล้วนะไม่เกี่วกัเราแล้วสี่ผ้าหายห้าผ้าเสียหายหกผ้าถูกไฟไหม้ครับคุณนี่มันขาดเองใช่ไหมเราไม่มีกระถาเจ็ดผ้าถุกชิงเอาไปแปดถุงถือเอาไปด้วยยิ้สักครับ เก้าที่ศนบ้าเป็นต้นนี่ก็ไม่ต้องอ า, บานบัตมีกระจดิดมีจิตทุกข์หน้าระดับภาษาพ่ อ, อเมธนาอ่าที่กามไม่ต่งในรายนี้ไม่ต้องอาบาัตรอนี้เดี๋ยวมันขึ้นตรงนี้บัตรสี่ น, นะขอเปิดนะหน้าร้อยหนึ่ง้อยกล้ามีบัตรสี่นะสิค้าบนนี้จัดเป็นอาชาหน้าวีบัต พอเพเสียหายนะครับสิขาบทอื่นจากนี้ไปก็จําเป็นอาช้าวิบัติเหมือนกันเพราะว่าสีและวิบัติมีแค่ามาสองกองใช่ครับคือป ร, ราชิกกับสังฆานิเศสนะครับเขาเป็นสี่วิบัติหรือเสียหายเลยนะครับแล้วที่เหลือตั้งแต่นิสสิขทุนละจังไปเลยนะก็จะเป็นอาสาระวิบัตินะครับจิงอยู่บรรดาปฏิโมข้องสองอย่างเฉพาะอาบัติป ร, ราชิกและสังฆาติเศษ สี่ลั์บัตรอาบัตที่เหลือจะเป็นอาจารวิบัตินะครับอาบัตที่เป็นอาชีวาวิบัติหรือทิฏฐิวิบัติโดยเฉพาะนี่ไม่มีนะเป็นทิฏฐิวิบัตอาชีวาวิบัตโดยเพาะไม่มีนะแต่ดถ้าจะบอกว่านะครับเว้นอารบัตทุกพาสิเสียอาร์บัตหกกองที่เหลือพุทธพราตเจ้าทรงมันอยบรรลุแล้วเพราะเหตุแห่งอาชีวาวิบัติ ไม่หนัมายเพราะว่าทุกข้ อ, ขอตรงนั้นนะมันจีอาบัตเจ็ดกองใช่ไหมครับปราชิกสังคาพิเศษถึงนักใจปายุดตีไปในสันี้ทุกกฎทุกฝ่าสิถ้าบอกว่าหกองแรกเนี่ยเป็นเพ่อทุกฝ่ายสิใช่ไหมครับบางอย่างไว้นะครับเพราะเหตุอย่างอาชีววิบัตแล้วก็หกองนั้นไม่ใช่ทุกข้อนะครับก็คือแต่ละข้อนะ <c oughs> อาบัตปราชิกที่บัญญัติไว้เพราะอาชีววิบัตนะครับก็จะมี นี่นะเขาบอกว่าพระอาชีวะเป็นเหตุพระอาชีวะเป็นกาพิสูจมีความปรัชนาชั้าช้าถูกฟังอย่างครอบงำกล้ากลัวอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีจริงไม่มีเนี่ยนะปราณีอุตรินะครับเรียกว่าทรงบรรยัติไว้เพราะเหตุแห่งอาชีวะมิบัติตัวบัติเนี่ยไม่ได้เป็นอาชีวะมิบัตินั้นเป็ถึงแล้วิบัติใช่ไหครับแต่ว่าทรงบรรยัติเพราะว่าเหตุแห่งอาชีวะมิบัติ ก็เกี่ยกันที่อันนี้นะครับก็ต้าแบบปลาชิฟพระอชีวะเป็นเหตุพระอาชีวะเป็นการนะครับพิสูจน์ถึงการชักสืบนะครับต้าแบบสันธะพิเศษครับนี่นั่นเปข้อนึงนะครับอพระอาชีวะเป็นเหตุพระอาชีวะเป็นการพิสูจน์กล่าวว่านะครับพิสูจนได้อยู่ในวิหารของท่านพิสูจน์นั้นเป็นพระอรหันต นะแกเมื่อบุคคลนั้นรู้นะครับต้าบัตรถุรจนจั่ยอันนี้นะก็เพราะเหตุการณ์เี้ยชีพใช่มหมอุตริตรุ่ยออบแน่ๆอุตริตรุ่ยออบตั้งบัถุนจั่ยนะครับอันนี้ก็เพรายนะเหตุอาชีวะเพราะอาชีวะเป็นเหตุเพราะอาชีวะเป็นการที่สุดไม่ได้เป็นไข้นีะครับอขอโกรธชนะอันประนีเพื่อประโยชน์แก่ตนมหาฉัน ต, นตั้งบัตรปาจิตติเนี่ยนะก็เพราะเหตุการณ์เลีง้งชีพนะก็การชัน อาหารณิชย์นะพ่อชีวะเป็นเหตุพ่อชีวะเป็นการพิสูจน์นี้ไม่ได้เป็นให้ขอโภชนาปณิชย์เพื่อประโยชน์แก่นตนมาฉันต้องบัดไปเสนสัญญาะนะครับเนี่ยว่าถูกเหมือนกันขอโภชนะตณนชยนะครับของพิสูจน์ต้องบัดไปทีของพิสูจน์นี้ต้องบัดไปเสนสัญญาะนะครับถ้าชีวะเป็นเหตุพ่อชีวะเป็นการ ที่สุกไม่ได้เป็นไข้ขอแกงและเข้าสุกนะครับเพื่อประโยชน์แก่นตนมาฉันต้อมบัดทุกกด น, นี่เน้นในทียวัดใช่ไหมเพราะเหตุการณ์นิจทีนะครับเนี่ยสิขาบทหกข้อนะครับที่พุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ต้องเห็นอาชีว่าพราะเหตุการณ์นี้ที่ครับหกข้อนะอาบัดสองกองคืออปาจิตตีและถกกดนะครับทรงบัญญัติไว้แล้วเพราะเหตุแห่งที่ทิฏวิบัติ เกี่ยวกับอะไรเนี่ยในปาจิตีเนี่ยจะมีข้อหนึ้งใช่ไหมที่พระอริ tha เป็นมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมครับ่ า, ารอะไรการถือว่าพุทธเจ้าใช่ไหมทัก้ายําวีา่ไหนนะครับการว่าทำอตัวเองเนี่ยรู้ทั่วถึงทั้งพระเจ้าจตัดไว้และะ้วใช่ไหมครับว่าพระองค์ตัดว่าทำเราได้เป็นธรรมอันตรายเป็นอันตราย น, นาี่กระทานะทำเหล่านั้นไม่ได้เป็นอันตรายนี่กระทำเลย ตอนนั้นพานิชามุ่งถึงวีติกรรมอันตรายนะครับอันตรายคือการล่วละเมิดพระบัญญัตินะการล่วละเมิดสิทธิคผู้ข้อนะครับถ้าเราตั้งใจล่วละเมินนะตั้งใจปรานี่ถึงทุ้ก่ทุกภพาสิทนะครับเป็นอันตรายนะครับต่อสว่านและนิพานนะดังนั้นนะครับแต่พานิชานี้ไม่เชื่อมอไม่จริงหรอกคงแต่ว่าเป็นอันตรายแห่งสมรนัทแนิพานไม่จริงนะครับไม่เชื่อเป็นมิจฉาทิศอย่างนี้นะนะนะครับเมื่อมิจฉาทิศอย่างนี้นะ เป็นอาบไปอีกทีเนี่ยนี่ไม่เป็นทันทีนะครับที่ส่านใหญ่ก็จะมีการไปว่างกลับอีกอย่นนางนึงนะถ้าได้มายอมละวิติกรรมก็จะต้องบัตรทุกกดนะครับถ้ายังไม่สวดกรรมวาจาเนี่ยยังไม่ต้องไปอีกต้องบัตทุกกดนะครับถ้าเตือนยังไม่เชื่อนะพระสงฆ์ก็จะสวดกรามวาจาะครับเมื่อสวดกรรมวาจาจบท่านก็จะต้องอาบบากจิตับเนี่ย น, น, น, นะตรงนี้นะครับที่ว่าไปเีกทอทุกกดที่ทรงบัญญัติเท่า เหที่ผิดวิบากก็ตอนนี้นะครับเนี่ยที่นันบอกนะว่านะครับว่าไงเป็นทุกข์กดเอานี่ไงเป็นทุกข์กดพ่อญาตินะตอนญาตินะครับเป็นทุกข์กดพ่อญาติในพราะการไม่สละทิฏีิอันชั่วช้านะครับเมื่อสดสมุทภาพนะครับเป็นปาจิตตินะครับในพ่อการตกกรรมวารตร์นี้นะเนี่ยอาบัติตรงนั้นนะครับ น, นี้เป็นข้อกําหนดในเรื่องวิบัตินี้ดังนะั้นจึงขอยุติปถาว่าด้วยความวิบัติในศิทธาบทนี้แหละจากนี้ไปจะไม่อธิบายเรื่องนี้อีกนะครับขออนุญาตเข้าใจไม่างนี้เลนะครับทีนี้วิบัติแค่สองกอส่วนที่เหลือก็เป็นที่อาอาชนะบัติทั้งหมดครั บ, บ ท, ที่เป็นอาเชืวิบัติและที่ผิดวิบัติโดยเยพาะมีมีแต่ที่ทรงบัญญัติพร้องแห่งอาเชื่อวิบัติและที่ผิดวิบัติอันนี้ ต่อไปองอาบัต น, นะครับสึขิขาแบบนี้มีองห้าคือหนึ่งจีวัของตนได้ประมาณก็คือพ อ, อสิฐานหลุงวิจัดได้กวา่านี่สิบห้ายาห้าสิทธนะครับตั้งแต่ขนาดนี้ขึ้นไปนะกินไปนานบัตถ้าเลขกแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับและเกิดในกำเนิดที่จะใช้ทำเป็นจีวัได้ก็ในหะ้ามันในที่นะผ้าเปือกไม้ผ้าฝ้าย้าไหนอะไรเป็นต้นเหนั้นนะครับหรือที่ทําด้วยอย่างอื่นนะ แต่ก็ส่งเครเข้ากับง่าอะนั่นได้ทำอะไรใช้มาเนืน่อผมอะไรกันได้ครสองถึงการนับวันที่เก็บผ้าถว้เนี่ยท่านจะพูดถึงนะว่าเราจะนับวันตั้งแต่วันไหนะครับตั้งแต่ถึงมือหรือเปล่าถ้ายังไม่ถึงมื อ, มมอนับเมีย่งการนับวันนะครับท่านบอกว่าอย่างนี้นะถึงแม้ว่าคนอื่นเขาให้เราแล้วนะครับแต่เรายังไม่รู้เรื่องเลยเขาฝานคนอื่นมานะ เขาบอกว่านะครับอะไรจงให้จีวอนี้แก้พิสุจชื่อนี้นะรัเขาฝากคนอยู่มาอันนี้มันยังไม่รู้เรื่องใช่ไหมเมื่อไหร่ยังไม่รู้เรื่องก็ยังไม่นับบ้างยังไม่นับบ้างนะนะครับหรือว่านะครับเขายังยังไม่ให้เร่านะยังไม่ให้กับมึงก็ยังไม่นับนะครับเขาบอกว่าอันนี้บอกว่านีวอนเขายังไม่เอามาให้ หรือว่ายังไม่ไดเอามาหรือว่ายังไม่ได้ให้ต่างใดนะครับก็ยังไม่นําวันต่างนะครับอ like ันนี้แต like ่ถ้าเป็นอะย่าง น, นี้นะครับอันนี้บอกมาอย่างนี้จีวอนเขาส่งมาให้แล้วส่งมาให้แล้วก็บอกว่านะครับถ้ามีจเจริญจีวอเกิดขึ้นแต่ท่านแล้วนะครับอันนี้นะอะไรเนี่ยยังไม่เข้าถึงการนับวันเพียงนั้นครับ อ๋อเขายังไม่ได้บอกครับไม่เป็นไรนะครับก็สูกปง่ายๆก็แล้วกันนะครับถ้าว่าเขาถวายเราแต่เรายังไม่รู้เรื่องหรือว่าเขายังไม่บอกเราเราก็ยังไม่น้อมบันนะครับแต่ถ้าถวายนะถึนยังไม่มาถึงมือนะครับแต่เขาบอกแล้วว่าเขาถวายผ้าให้เราอันนี้เริ่มน้อวันตั้งแต่วันนั้นแล้วนะครับเริ่มน้อมันแล้วนี่นะเพอเราถือว่ารู้เรื่องนะนะครับเขาบอกเราแล้วหรือว่าเข้ามาถมายถึงมือเราเลยนะ อันนี้ก็เริ่มน้าวันนั้นแต่วันนั้นครับราบอกบอกเราบอกว่าเาไว้เดี๋ยวมาก่อนจะว่ากันอย่างนี้ถึงว่ายนั้ครับไม่รับครับยังไม่รับยังไม่รัใช่ไหมยังไม่รับมิไม่ฟังนะอ๋อถิงว่เอ๋เหมือนก็ว่าจเรายังไม่รับนะอย่างั้นหอแล้วก็ดูใจเรา ผมผมกลัวต้องาำบากแล้วผมยังไม่เล่าต่อไปครับตรงนี้อะไรอ่าถึงการนับวันที่เก็บผ้าครับคือเขาส่งมาหรือว่าบอกเราแล้วนะส่งมาบอกเราแล้วยังไม่ถึงมือก็แล้วแต่อับรู้แล้วนะครับหรือว่าถึงมือเลยอันนี้ก็น้ัหวันได้ไหนครับสามปริพจอ์ค่าก็หมายถึงการถินดอกแล้วไอ้พวกอันนี้สี่เป็นผ้า เกินมาจากห้าทิฏฐาหรือวิกาลคือเป็นอดหตสีวันนี่นเครับห้าเก็บไว้เกินสิบวันเมื่อครอบองห้านี้ก็จะต้องอาบัตินิสกิยาไปตีในสิกขาบทนี้นะครับสิกขาบทนี้จะเป็นกฐินสมุฐานะครับเกิดขึ้นทางกายกับวาจาและเกิดทางกายวาจากับจิตนะครับ น, นี่ดูวิชวิชายนะครับเป็นอกิริยาเป็นเกเรยาเพราะว่า ไม่ทําการทิฏฐาหรือวิกลับด้วยกายวาจานะครับตอนนี้ถ้าบอกว่าเป็นกายและวาจานะถึงไม่มีจิตนะครับหมางว่าถึงเราไม่รู้เรื่องถ้าเราเกินสิบวันมาแล้วเราเข้าจว่าอนี้ไม่เกินอันนี้ไม่มีจิตใชครับไม่มีจิตที่จะเกิดเกินนะเกิดเราเราน้ําวันผิดนิงนีงน่ะเราคิดว่ายังแค่แปดวันนะครับท่านี้มันเกินสิบแปลงนะอันนี้ไม่มีจิตไม่ตั้งใจนะครับแต่ว่าด้วยกายและวาจาเพราะไม่ยอมทิฏฐาน ด้วยการวารจาหรือไม่ยอมวิกลนะครับอันนี้นะก็ถือว่าทาการอับวาจาถ้ามีจิตได้รกรลุกทั้งรู้นะครับตั้งใจจะเขียนไม่เกินสิบวันมาเลยแล้วเขียนไมเกินสิบวันนะครับอันนี้ก็ถือว่ากายมาจากจาิตนะครับนี่นะเป็นอิริยานะครับเพราะว่าไม่กด้ทำการที่ถาหรือไม่กลับด้วยกายและวาจานะครับเ อ, อาโนสัญญามิโมไม่รู้ก็ไม่พ้นนะครับขอให้เกินสิบวันก็แล้วกัน ถึงไม่รู้นะก็โดนอัจฉริการ น, นะครับจะรู้หรือไม่รู้ต้องอธรรงนั้นปันนติวัชชะนะครับไม่ได้เป็นอุปสรรคอย่างเดียวถ้าเราไม่รู้ภ้อบัญญัติใช่ไหมแค่การเจ็บท่าไม่เกิดถึงวันไม่ได้จําพ่อใจเป็นอุปสรรคอย่างเดียวใช่ครับไม่ใช่นะอันยกรรมก็ได้เพราะม่าไม่ขาดนิการวิีกรรมก็ได้เพราะไม่ยอมผิดฐานหรือว่ามิจจำหรือหวาตารครับอันนี้เป็นผิดสามเวทนาสามแห จบการที่บายกระถิ่นสิดขาหมกตอนนี้ก็จอบโอ้หมดเวลาพอดีท้าที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทิ้งม่หลายด้วยการทุกท่านา